เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ไฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาคพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อสนทนาธรรมตอบถามคำถามทำปัญหาธรรมต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติทานศี่ภาวนาใครที่สนใจก็เชิญเข้ามาถามได้หรือได้จะฟังอย่างเดียวก็ฟังที่ทาง a c e b o o กหรือ youtube สดก็ได้ไม่ต้องเข้ามาก็ได้แล้วแต่จะสะดวกอันนี้ก็คุณหมอพิเชนเข้ามาก่อนแทนคุณหมอพีเชนรัศการพระอาจารย์ครับขอบพระคุณขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะเรื่องการฝึกรังสมาธิครับยมได้ฝึกร่างสมาธิและตอนที่จิตรวมเข้าสู่สมาธิตอนเข้า เขาได้ลึกและอยู่ในสมาธิได้นานทาให้ได้สัมผัสกับความรู้สึกสงบแล้วก็ความว่างเหมือนกัลอยอยู่ในอากาศสักแต่ว่ารู้ไม่มีจิตปรุงแต่งรักใจอิมเอิบได้มีความสุขจะกลับยนถามพระอาจารย์ว่าความจิตที่สงบที่อยู่ในฌานนี้เป็นรูปฌานหรือเป็นอรูปฌานครับพระอาจารย์คงจะเป็นรูปฌานมากกว่าอารูปฌามนมันละเอียดกว่า เานะก็ไม่ต้องกังลวลว่าเป็นรูปประนชาหรือรูปประชาก็เราไม่อ่านดูแต่คุณสมบัติของรูปประชาการรูปประชาว่ามีอะไรแล้วลองพิจารณาดูแ้่ก็ไม่ไม่สำคัญวนะ่ามันจะเป็นชาแบบไหนขอให้เราเนื่งสงบสบายแล้วก็อยู่ได้นานสงบได้นาน แล้วเข้าได้บ่อยเข้าได้ง่า ย, ยาพยายามเกให้มันบ่อยๆให้มันเย็นให้มันสบายให้มันไม่เบรคขาวางเฉยออกมาก็เย็นสบายวางเฉยถ้ามันเริ่มร้อนก็กลับเข้าไปใหม่หรือถ้าถ้าถ้าเข้าออกได้อย่างสะดวกอย่างมีความถนัด มีความคล่องแคล่วก็ออกทางสมาธิได้ก็เวลาออกมาก็พิจารณาตายัะไปพิจารณาตามยศสารเส้นศพพิจารณาเรื่องลูกเสียงกิริย์ลัดพิจารณาเรื่องตาหูจมูกมือกายพิจารณาร่างกายพิจารณาเวทนาไวมาเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดา ถ้าอยากให้มันไม่เสื่อมก็จะทุกข์ถ้ามัอยากทุกข์ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันทุกสิ่งทุกอย่างที่จ่ายมาสัมผัสรับรู้สลับกับการทําสมาธิพิจารณาดูาสภาวะดูตามไม่สวยไม่น่าของร่างกายพิจารณาดูปฏิกูลของอาหารความเป็นปฏิกูลของอาหารเวลาเข้าไปในร่างกายแล้วแต่มัน เอามามันก็ไม่น่ากินแะเวแล้วจะเอามาทํำทวารไหนทําป่าแลา้วทําทําก้นมันก็เป็นของที่ไม่น่ากินนะแต่เวลามันอยู่ข้างนอกร่างกายนี้มันดูแล้วมันน่ารับประทานในพอสัมผัสกับร่างกายแล้วมันก็กลายเป็นของสกปรกไปกเราพิจารณา น, นี้ไปสลับกับการเข้าสมาธิแล้วก็คอยควบคุมความอยากอะไรต่างๆ ทำอย่าไปรูปเสียงเกียร์ลดอยากไปนวยอยากมานี่อากไปนวดอยากไปนีนอ่อะไรไปใใจ อ, อยู่ที่เฉยอยู่ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมีอะไรกเราปฏิบัติไ ป, ไปอนี้อย่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปสนใจเรื่องว่ามันจะเป็นชาตินระดับไหนมันไม่สําคัญมันทำรู้ไปก็เท่านั้น สิ่งที่ปรงกาศให้รู้ว่ามันมันสมองหรือไม่มั น, นิ่งหรือไม่มันวางเฉยหรือไม่แต่ว่าลงรู้ไม่เวลาสัมผัสกับสิ่งต่างๆใจวางเฉยได้หรือเปล่าเป็นสิ่งที่ควรจะสอนใจมากกว่าขอเข้าใจนะขอบคุณครับอาจารย์ คุณสาธกายังไงน้ำลดได้ยังช่หน้ายังไม่เปิดไม้นะคุณสาธกาเปิดไม้ก่อนน้ำน้ำลดไปเยอะแล้วค่ะพระอาจารย์ค่ะไปไหนไปไหนมาไหนสะดวกว่าในจังหวัดอ๋อสะดวกแล้วค่ะอาจารย์ไม่ไม่ไมค่ะแต่พวกที่อยู่ริมไม่น้ำที่มีปัญหา ใช่ใที่ริมแม่น้ําอะค่ะพระอาจารย์ส่วนมากจะเป็นที่ที่เลาท่วมซ้ําๆตลอดอะค่ะวันนี้มาฟังธรรมค่ะอาจารย์ปฏิบัติทุกวันค่ะสะติมสมาธิปัญญานะค่ะอออโอเคคุณนนทภัทจากรบนค่ะนาวัตสการเจ้าค่าพระอาจารย์ ค่ะวันนี้ลูกเข้ามากล่าวอาจารย์ไม่มีคําถามเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะ hey, คุณจมามัตต์กับเจตตี้กระดมาสือกาอาจารย์ค่ะครับอไปยังไงมีอะไรไหมวันนี้วันนี้แจตตี้มีคําถามครับาถามเลยแจตตี้ก็คือตอนที่แจตตี้ได้ยินคนอธิษฐานขอให้ถูกหวยขอขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนู้นก็คือการอธิษฐาน ผิดชื่อไหมครับแล้วคําว่าอธิฐานแปลว่าอะไรเหรอครับขอให้พระอาจารย์อธิบายคํ า, <c oughs> าราอธิษฐานความหมายที่แท้จริงของศาสนาก็คือการกาหนดการกระทําของเราว่าเราจะทําอะไรบ้างเช่นจะดูหนังสือเวลาสองทุ่มจะทําทการบ้านเวลาขำมาจากบ้านกลับจากโรงเรียนมาก็จะทํ า, าทการบ้านก่อนก่อนที่จะไปทําอะไรต่างๆ นี่เลยว่าอธิษฐานคือตั้งตั้งเอ่อตั้งความตั้งใจว่าเราจะทําอะไรไม่ใช่ขอไม่ใช่ขอสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากจะเรียนดีก็ตั้งใจเรียนขยันเรียนไม่ใช่มันั่งขอขอภาวนาขอให้เรียนดีๆได้เก่งดีแล้วก็เป็มัวแต่เล่นเกมไม่ดูหนังสืออย่างจ้า เีนไดดีไม่ได้เกลดีไหมเนี่นะได้ครับขอให้ถูกวัตเรี่ถูกไหมล่ะถ้าถูกถ้าถูกก็รวยกันต้องทำประเทศคนขอให้ถูกคนทุกคนใครเอร์วตรี่นะไม่อยาจะถูกบ้างมีไหมนัดเดีว่นถูกก็แ่าถูกกินใช่ไหมถูกแต่เค็มไม่เก็ใช่ไหม ถูกกินง่ดนี้เดี๋ยววันหน้าเอาใหม่ละเออความโลภมันทําให้คนไม่มีเหตุไม่ผละคครรัับบถูกกินเท่าไหร่ก็ยังไม่เข็ดยังหวงมงอยู่ถ้าต้องถูกสักวันหนึ่งครับครับใช่ีนการใช้คาว่าอธิษฐานเนี่ยเป็นอธิษฐานว่าอาวันนี้จะทําทานจะรักษาศีลจะนั่งสมาธิทุกวันเอก่อนนอนจะนั่งสมาธินี่เอธิษฐาน คือการกำหนดการกระทำของเราว่าเราจะทำอะไรบ้างนี่และคือาอธิษฐานทางศาสนาคุณอย่างตอนนี้ตอนนี้พระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้คนต้นโพก่อนจะตัดสุพระพุทธเจ้าว่าอธิษฐานว่าจะนั่งภาวนาตรงนี้ไปเต็นยการจะตัดสนรูถ้าไม่ตัดสันรูถึงแม้เรื่องในร่างกายจะเกิดแห้งไปก็จะไม่รู้จักที่นั่ง จะไม่จะไม่หยุดการภาวนาแต่ภาวนาจนกว่าจะตัดสู้อันนี้อรีว่าอธิษฐานที่จะทำได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่สัจจะเข้าใจงหมจะกคำว่าสัจจนะไหคือไม่โกบตัวเองอผมจะเลิกเล่นเกม้วอย่างนี้ยเ่อธิษฐานพอถึงเวลาอดเล่นไม่อดอดเ่นเวลาเล่นนี้ แ, ดดดดแสดงว่าไม่มีสัจจะ ตอ บ, บตัวเองถ้ามีสัจจะพอพ อ, อตั้งอธิฐานแล้วผมจะเล่นเล่นเกมล้วตไม่เล่นโดยเด็ดขาดครับครับทำได้ไมตัง้ตงอธินาน่ล้วผมจะไม่เล่นเกมได้วได้ครับเออนะอย่ายึ่งตอบนะน่ใจนะกะจะได้ครับ <laughs> อาจจะได้ก็แสดงว่ายังไม่แน่ใจนะครับครับ ไม่แน่ใจก็อย่าไปตั้งนตั้งแล้วตั้งแล้วทาไม่ได้ก็จะอายตัวเองหรอครับจริงไหมจริงค่ะก็ อ, อย่าไปตั้งในของที่มันยากที่เรายัางทําไม่ได้ลองทําความที่เราทําได้ก่อนครับครับวันนี้ทำอะไรได้บ้างนั่งสมาธิได้กี่นาทีก็งเทเากันนั่งได้ประมาณสิบห้านาทียค่ะ นั่งทุกวันหรืป่าทำไว้ทุกวันถ้าเราตั้งนั่งว่าทําไว้เนี่ยจะนั่งทุกวั น, นแต่เป็นค่สิบห้าทีไม่ได้ทุกวันอันนี้ก็เราต้องไปคิดดูนะอันนี้ไม่บังคับนะอันนี้เปแบบพูดตัวอย่างให้ฟังเป็นคําว่าอธิษฐานอธิษฐานไม่ใช่แปลว่าขอขอให้เรียนเก่งขอให้ได้เกรดดี แต่ไม่ไม่ดูหนังสือไม่ทำการบ้านเอาแต่เล่นอืออยจะได้เกรดดีก็บาก็ดีแต่ไม่ใช่เอ ไ, ได้เกรดดีแต่ไม่ใช่เกรดเอดีไม่ดีไม่ดีอยาจะได้ F อฟก็ได้เ้าใจยังข้อใจครับอไปหาคำถามไปครับครับ ที่ไหนไม่เข้าใจหรือลองค้นหาดูเองก่อนก็ได้มีมือถือไม่ใช่เหรอครับนี่ครับนี่ครับเ้าคนระับเข้า google ได้เป่าแต่ครับแต่ก o เกิลอาจจะไม่ได้คําตอบแบบแม่นเค่าก่ะอาจารย์นะอ่าไม่ง่ายนะอาจจะไม่แม่นยค่ ไ, <c oughs> จจไหนรองดาวก็ได้ก็ต้องไปทดลองดูหลายๆดูหลายๆซอร์สจะได้รู้ว่าเอ่อเหมือนกันไหม ครับครับงฟังจากแหล่งเดียวมันอาจจะไม่ไม่แน่นอนนะเพืไม่ประมาณคนจะไปไปหาแหล่งอื่นมามาดูดดด ว, ว่าอหล่งไหนหเพราะว่ายแหล่งไหนเข้าว่ายเหมือนกันไหมครับครับอันี่คือการเรียนรู้การเรียนรู้เราต้องอย่าไปพระอจาจารย์บอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเชื่อเวลาใครก็บอกอะไรเรา เราต้องไปพิสูจน์ก่อนหาขอ้อมูลที่อื่นมาพิสูจน์กับว่าสิ่งที่พูดจริงหรือไม่จริงครับครับเดี๋ยวเราไปค้นดูใ น, ในคูก่กันดูนว่าคำอธิษฐานแปลว่าอะไรครับครับโอเคนะครับหาเจอหมดแล้วใช่ไหมครับครับนะครับโอเคกล่าวคำพว รควันนี้คุณพ่อไปต่างประเทศหรือยังไปไปครับไปแล้วเหรอนะค่ะจะกลับจะกลับเมื่อไรี่กลับวันพุธมาครับวันน้าครับบอให้ซื้อช็อกโกแลตมาถวายโอ้ก็ดีสาธุครับอ่างนี้ก่อนนะครับคุณคุณจิต บัเดบันเดิารย์่ารอาารตอบเข้ามากราบพระาจารย์จับในตำหนักโอเคนยงคุณหนร น, นที์่านหลวงนรินทรท่านพระรมโาจารย์มาสกา ร, รสะสังก็วันนี้ก็มีคำถามว่าถ้ า, ถ, าถ้าช่วงที่เรานั่งแล้วเออ ไปถึงช่วงที่เราสามารถมองเวทนาโดยที่ไม่เดือดร้อนนะเจ้าค่ะอันนี้เราควรที่จะมองเออวทนาต่อไปจนมันเกิดการเปลี่ยนแปล ง, ปลงหรือเปล่าเจ้าค่ะหรือว่าเราสามารถกลับมาอยู่ที่ความนิ่งสงบได้เจ้าค่ะพรนอาจารย์คือป้าหมายก็คือให้ใจเรานิ่งสงบเวลาที่เกิดเวทนาขึ้นมาแล้วใจเราไม่หวั่นไหวใจเราไม่ถูกกระมัน มันก็อยู่ตรงนั้นแหะที่จะทํำยังไงก็แล้วแต่อุบายใช้สติหรือใช้ปัญญาเจ้าค่ะอาจารย์เม่อใจเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนนัมันอยู่กับมันได้อย่าไปพยายามทําให้มันหายไปปล่อยมันไปมันมาก็ปล่อยมันมันมาเองก็ปนก็ปล่อยให้มันมาเองมันไปก็ให้ปล่อยมันไปเองอย่าไปทําให้มันหาย อันนี้เป็นเวลาฝึกเนะี่ยแต่เวลาทำเป็นจริงบางทีถ้าเราทำให้มันหายได้ก็ทําเช่นปวดท้องก็ไปยากแก้ปวดท้องกินยาตากินไปแต่ถ้ามันไม่หายอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้ธรรมะองศ์ใช้ฉะกใช้สติใช้ปัญญาอยู่กับมันไปยังการปัญญาใหา้เจ้าค่ะ คือเราควรที่จะมองไปจนถึงจุดที่มันมันหายด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะที่เห็นเกิดเห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันดำหรือใช่ไหมคำว่ามองไม่ไดาหมายความว่าก็ต้องอยู่กับมันนะก็ก็รู้ว่ามันมีรู้ว่ามนป่วยแต่ใจเราไม่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับมันให้อยู่ที่ใจเราเป็นเราใจเราทุกข์ใจเราเดือดร้อนกับมันเมื่อจะไปจะไปจะไปพยายามทําให้มันหายหรือเปล่าหรือพยายามเลี่ยนหนี้มันหรือเปล่า เจ้าค่ะก็คือมองที่ใจเป็นหลักเจ้าค่ะครับที่ใจว่าเราเราปล่อยวางมันได้เปล่าอันนี้ในช่วงเวลาฝึกนะเกี่ยกการปล่อยวางแต่ถ้าเราปล่อยวางได้แล้วเวลาที่มันเกิดเกิดปวดท้องปวดที่สขึ้นมามเราก็อาจจะถ้ามีวิธีรักษาเราก็รักษาไป เป็นก่อนรักษาไม่ได้แล้วต้องใช้วิธีของที่เราฝึกมาคือปล่อยว่างมันโดยจะใช้วิธีปล่อยวางก็ได้ปวดท้องก็ไม่กินยาปวดศีสต์ก็ไม่กินยาอยู่ประมาณไปให้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปใจเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนเระมันอย่างนี้ก็ได้ถ้าไม่ต้องไม่ต้องกินยาก็ได้พรพระพระอาจารย์บางลูกท่านก็ไม่ไปโรงพยาบาลท่านก็ไหาหมอ ไม่ใช่ทำ ม, มากองศาหนึ่งนั่นนี่แต่จะแต่ไม่รักษาก็ได้แล้วแ ต, แต่แต่บางคงท่านคเก็บไปวุ่นวายไปโรงพยาบาลแล้วบางทีหมอพยาบาลไม่รู้จักวิธีของพระบางทีก็ทําให้ท่านรักษาวินยัยขอท่านไม่ได้ท่านก็ไม่อยากจะไปเจ้าค่ะระอาจารย์ตอนเย็พยาบาลจะมาฉียาให้เหรือพยาบาลจะมาวัดอุณหภูมิอะไรอย่างนี้ พยาบาลเข้ามาถ้าอยู่ตามลาพังองเดียวก็เข้ามาสองต่อสองอะไรนี้มันก็ทําให้ท่านม่สบายใจในเรื่องเขาทําวยในอันก็อาจจะว่าไม่ไม่รักษาเรลยใช้ธรรมะโอกส่วนดติมาใช้สติใช้ปัญญาท่านฝึกมาแล้วท่านอยู่กับความเจ็งได้นะอันก็เลยไม่กังวลประมาันถึงเวลาตายท่านก็พิจารณาความตายมาแล้วท่านก็ผ่านมาแล้ ทั้งเจ็บทั้งตายท่านก็เลยว่าไม่ไปก็ได้เจ้าค่ะถ้าไปแล้วมันมึมาอย่างตอนนี้น้องตามาบัวท่านท่านเจ็บขั้นสุดท้ายนี่ฤาษีพราที่นี้นิมนต์ให้ท่านไปรักษาที่สิริรานท่านไปคืนเดียวท่า็กลับะท่านไปเพื่อฉลองศรัทธาเจ้าค่ะ พระอาจารย์จ อ, อพระอาจารย์เาค่ะคือปัญญาที่แท้จริงที่มันไม่ใช่สัญญานี่มันจะเกิดเมื่อเราแบบเจอแบบทดสอบแล้วแล้วผ่านไปไดใ้ใช่ใช่ต้องเจอทุกแล้วมาใช้ปัญญาดับความทุกข์นั้นอันนี้เป็นปัญญาตอนนี้ยังเป็นสัญญาอยู่ตอนนี้เราคุยกันยังเป็นสัญญาอยู่อันนี้ทุกยังไม่เกิดอืม อย่างถ้าวิธีชีวิธีซ้อมเนี่ยเราเราสามารถที่จะเอาปัญหาของเรามาระลึกแ ล, ล้วไข้ควรใช้ปัญญาใข้ควรแบบนี้ได้ไหมเจ้าค่ะก็อเราแต่ว่าปัญหานะั้นมันมันให้เราทุกข์กับมันหรือเปล่าถ้ามันทุกข์เราก็จะเด็นรู้ว่าถ้าเราใช้ปัญญาแล้วเราดับความทุกข์ใจเราได้มันก็มันก็เป็นปัญญาแต่ถ้ามันเป็นปัญหาที่มันไม่ทําเราทุกข์ใจเราพิจารณาไปมันก็ไม่ไม่มีความต่างกันรเหมือนคือเวลาเรา เหมือนร่างกายเวลามันสบายเราไปกินยามันก็ไม่มีความต่างอะไรนี่นะต้องรอดูเวลาที่ร่างกายมันไม่สบายแล้วกินยาเราถึงเห็นความต่างออกกินย า, านี้แล้วทาให้ร่างกายโรคที่เป็นอยู่ตอนนี้หายไปแต่เราอาจจะคิดไม่ตรงหน้าก่อนนะหน้าแต่เราก็ไม่มัน่นใจว่ามันเป็นสัญญาก็เป็นปัญญาเรื่คิดถึงความตายต้องวันอะไรต้องตายแต่เราก็พิจารณาร่านะงกายมันเป็นตายนัก มันไม่เทีย่ยงการแก่เจ็บตายเป็นธรรมดามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเราไปสั่งให้มันไม่ตายไม่ได้แล้วก็พิจารณาแบบนี้แต่มันยังเป็นสัญญาอยู mm ่เพราะเหตุการณ์จริงมันไม่เกิดเจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขาพระอาจารย์เจ้ขาแล้วในใ น, ในตอนที่เราเริ่มนั่งเระาขาพระอาจารย์คือเราสามารถที่จะ เออเหมือนจำอารมณ์ใจในช่วงที่เรานิ่งสงบแล้วเราพยายามไปที่จุดนั้นเลยนี่อันนี้จะเป็นไปได้ไหมเจ้าคะหรือว่าเราควรจะไปตามลำดับขั้นตอนทุกครั้งก็ลองทำดูสิของนี้มันก็ของบางอย่างเราก็ต้องลองผิดลองถูกเนาะบาีเรากำหนดให้มันนิ่งได้แต่ที่ไม่ต้องผ่านพุโทโธไม่ต้องดูนองก็ก็ใช้มันเลยเลยสั่ปุกมันก็นิ่งปั๊บเลย ออืเถ้ามันไม่ไดีก็ต้องกลับมาใช้ขั้นตอนอืมเจ้าขาพระจันทร์เจ้าขาพระจัออย่างอย่างในชีวิตก็เราอาจจะระลึกขึ้นมาพุ๊อย่างเงี้ก็ก็ได้เหมกัได้เกิดเหการอะไรขึ้นมาเกิดทุกข์กับเรื่องนั้นนั้วนี้พิจารณาเป็นตายรักปับ๊บหายทุกข์เลยก็ได้หรือไม่ไม่พิจารณาอะไรก็ได้ปล่อยวางช่างมันไม่ใช่เรื่องกู แบกมันทําไมเราไปแบกมันเองเขาไม่ได้มาบังคับให้เราแบกเขาลบบเขาลยเราไปแบกเขาเองใช่ mm hmm. หไหมคนบางคนที่เห็นอะไรหน่อยฮู้ดไว้ใจขึ้นมายิ่งสมัยนี้ยกุกยุกโซเชียลอ่านอะไรนิดหน่อยนโอ้พลาดเลยเหมือนเหมือนอะไรถูก น, อ, นองน้อนอ้านอะไอ่านอะไรไม่ถูกใจหน่อยก็โวยขึ้นมาเจ้าค่ะ แต่อย่างถ้าเราเลือกที่จะทิ้งไปนี่ก็จัดว่าเป็นปัญญาเหมือนกัน ใ, ใช่ไหมเจ้า <Darth> ค <hi> ่ะอาจารย์อ๋ออย่างที่ถ้าเราเลือกที่จะทิ้งไปช่างมันไปอย่างเงี <errand ps 2> ้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็กเป็นปัญญาเราไม่ใช่เรื่องของเรามันเป็นเรื่องหน้าตาเรื่องธรรมชาติเนี่ยเราไม่ยุ่งกับมันทําเราทําอะไรไม่ได้เราไม่ใช่เรื่องของเราไม่ยุ่งกับมันอนัตตาเราเช่าเราเช่าทุกเรื่องมันเป็นเรื่องของเราหมดใช่ไหม ใครพูดอะไรก็เป็นเรื่องเขาด่าเราเขาอ่านเา้าก็ชมเราก็ อ, อะไรเราเขาดูถูกเราเขา อ, อะไรเรามันเรื่องของเขาอเขาจะดูถูกเรามันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าปล่อยเขาดูถูกไปก็จบใช่ไหมเจ้าคะอาจารย์อีกคําถามหนึ่งก็ค่ะอาจารย์คือถ้าตอนฝันแล้วเราเหมือนไม่ผ่านแบบทดสอบเนี่ยอันนี้แปลว่าชีวิตเราอาจจะไม่ผ่า<ล><ล>อันนั้นแหละเป็นเป็ น, ป น, ปนการ การแสดงผลของการปฏิบัติของเราว่าเราไปถึงขั้นไหนรู้ผ่านรู้ไม่ผ่านมันก็จะรู้ต่าอนที่เราฝันมันก็จะเป็นหนังตัวอย่างนั่นเองอ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์กลับขอขอบคุณเจ้าค่ะวันนี้มีท่านอี้เจ้าค่ะโอเคสาธุอาจารย์พรหมวลายเจริณมีความนกกลัวอะรไหมคควานึกกนี่ไปปาร์ตี้กับมาอย่าง มามาแล้วค่ะเมื่อวานไปมติ팅เพื่อนมาเมื่อวานนี่ครับการประการครับสวัสดีนะสวายดีครับอาจารย์อารสบายดีนะคะก็ใจดีค่ะไม่สุดไม่ทุกข์ใจใจพยายามปฏิบัติตามด้วยค่ะน้ำเนินลอยตามทุกวันทุกวันค่ะเด็กนิ่งสงบสงบค่ะค่ะ กับดาน้าปริกาบค่ะใ้่โอเคค่ะถูกไปที่คุณฟนนะคุณพิมอยู่ที่ไหนคุณฝนนพิมขอให้เจ้าค่ะอยู่กรุงเทพนรรมิสการพระจานทร์เจ้าค่ะยงกับบุกยาอยู่กรุงเทพเจ้าค่ะบุษยาชื่ออะไรชื่ออนชื่อพิมครับออชื่อคิม ีพอดีเมื่อวานลูกชายเขาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอย่างเรื่องพุทธศาสนาเจ้าค่ะเรียนเกี่ยวกับเรื่องเบญจศีเบญจธรรมแล้วเมื่อวานนี้เขามีคําถามมาถามถามหนูอะค่ะแล้วหนูคิดว่าเอาให้เขาถามกับพระอาจารย์เองโดยตรงดีกว่าค่ะวันนี้ก็เลยพาเขาเข้ามาถามอะค่ะอะ่ไปเรียนมาจากที่ไหนไปเรียนมาจากที่โรงเรียนค่ะที่โรงเรียนนะทาร่าไม่ถามครูลืมถามค่ะลืมถามอะไรมาถามแม่ อ, อยวจะรู้อะไรลองถามมีถามที่ที่ทํามาเมื่อวานน่ะลูกว่าคือสีข้อที่ห้าคือไม่ดื่มเหล้าใช่ไหมคะใช่ไม่ดื่มเหล้ารวมทั้งของมืึนเมาอย่างอื่นด้วยการชายาฝิ่นยาเสพติ ด, ด, ดทั้งหลายเนี้ที่ทําไม่จิตนอนแล้วถ้าเราดื่มได้เราไม่ทําผิดสีข้ออื่นนะคะก็ผิดข้อเดียวไงก็ผิดข้อข้อข้อเด็ดสุราข้อเดีย แล้วดื่มสรามันผิดใช่ไหมคะ่ามันผิดตรงที่ทำให้เราไม่มีสติไง เ, เดี๋ยวมันก็จะทำให้เราไปทำผิดสินข้อเห็นได้ง่ายเพอะเราไม่มีสติเดี๋ยวก็เราอาจจะโมโหเราก็อาจจะไปว่าใครเขาทุกตีข้าวของอะไรต่างๆทำลายผู้สร้างความเสียหายแก่ผู้แต่ถ้าเรามีสติพอเราคิดไม่ดีเราก็ยับยั้งได้ลุกไม่ออก ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วที่จะําอะไรอีกคะที่จะาําเกี่ยวกับเรื่องนั่งสมาธิไม่ถามมาใช่ไหมคะโอเค okay, ค่ะเขาเขาวันนี้ลูกชายเขามีคำถามแค่เนี้ยคะ่ะพระอาจารย์เรียนที่ไหนละ่ะเรียนอะไรเป็นสาธิตุราค่ ะ, ะสาธิตกราสอนวิชาธรรมะอยู่นะใช่คะ่ะก็ยังดีนะคิดว่าไม่มีสอนอะไรนนี้ มีเจ้าค่ะเป็นเป็นวิชาแยกเลยเจ้าค่ะพุทธศาสนาต้องเรีย น, นวิชาเรื่องก็ผ่านวิชาต้องเรียนเป็นต้องเรียนเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะ แล้ว เ, เขาก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องสีเรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาเอ่อประวัติพระพุทธเจ้าอะไรแบบนี้เจ้าคะ<ม>่ะแล้วก็ตอนนี้เรียนเกี่ยวกับเรื่องเอ่อเรื่องเบญจศินเบญจธรรมอะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะแล้วก็ก็เลยแบบยงก็คิดว่าเออเขาถามตั้งแต่เมื่อวานแล้วเรื่องเกี่ยวกับการดื่มสุราคือเขาเขามองว่าการดื่มสุรามันไม่ได้ไปทําร้ายคนอื่นแบบนี้เจ้าค่ะทํำไมถึงแบบผิดศีลอะไรแบบนี้เจ้าค่ะคือถ้าเราดื่มสุราแล้วเรานอนหลับก็ไม่เป็นไรไม่เราก็เป็นเหมือนกินยานอนหลับไป แต่มันมีปัญหาเพิ่มทีกินแล้พวพกงมีข่าวเลยกินทีนักกีฬา <c oughs> มีชื่อเสียงนักกีฬา <c oughs> กินเล่าถึงตีสี่ตีห้าแล้วไปขับรถชนคนตายมันนันะมันเป็นอ ย, อย่างนั้นถ้าไม่เมาขับมันก็ไม่มันก็มันก็ไม่ระชนคนตายอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะคนขับคนขับไม่มีสติขาดสติ อาจจะขาดสติจากการนื่มทุราเรื่องจากการรับกินยาสารเสพติดต่างๆเลยต้องห้ามไว้ความจริงมันถ้าถ้าถ้าถ้าเหลื่อมแล้วก็นอนก็ไม่มีปัญหาเลยแต่มันก็ไม่ดีมันทำให้เราติดเข้าใจแนละ้วใช่ไหมคะ Okay. เจ้าค่ะในส่วนของโยมเจ้าค่ะพระอาจารย์ปริโยมจะกราบขอคําแนะนําพระอาจารย์นะเจ้าค่ะคื อ, อช่วงนี้โยมมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องบิดาที่แบบการเจ็บไข้ได้ป่วยอ่ะเจ้าค่ะซึ่งโยมก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องปกติที่แบบก็มีเกิดแก่เจ็บตายอ่ะเจ้าค่ะแต่ว่าเหมือนเราเราไม่อยากเห็นคนที่เรารักเป็นทุกข์อะไรแบบเนี้ค่ะเราก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะวางใจยังไงอ่ะเจ้าค่ะก็เราทําอะไรได้บ้างอ่ะ ก็ทําไม่ได้ค่ะเจ้าค่ะก็คือก็ทําสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือดูแลบิดาให้ดีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็ทําเท่างที่เราทําได้ค่ะพยายามให้มันสิ่งที่มันทําสิ่งที่เราทําไม่ได้ไม่ให้มันให้มันเกิดมันก็ทําไม่ได้จะทำยังไงค่ะก็เรายอมรับความจริงนั่นค่ะถ้ารับความจริงมันก็ไม่ทุกที่มันทุกเพราะมันปฏิเสธความจริงไม่ยอมรับความจริง ไม่อยากให้เขาตายไม่อยากให้เขาเจ็บใข้ได้ป่วยอยากให้เขาไม่ไม่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้เขาไม่ตายอันนี้เราเป็นตัวที่ทําให้เราทุกข์ไม่ใช่ความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วความตายความเจ็บไข้ได้ปวยความตายเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกข์เพราทุกข์เพอยากให้มันไม่ไม่ไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายอันนี้นี่แสด่าเราใช้ความจริงมาเรียนกัน แล้วเราห้ามความเจ็บห้ามความตายได้หรือเปล่าห้ามใเขอเจ็บห้ามให้ ข, า, ห า, หขาตายได้เมื่อถึงเวลาของเขา<ฆ>ถ้ายังไม่ยอมแล้วก็แสดงว่าเจ็บเรากิเลสมันยังไม่ไม่ไมเน่งเราก็ต้องทําให้กิเลสมันเน่ง ด, ด้วยการนั่งสมาธิไปทําให้มีอุบเบกขาขึ้นมาค่ะ<ฆ>คือเหมือนแบบพอช่วงหลังๆเจ้าค่ะคือยองก็ฝึกนั่งสมาธิมา ช่วงหนึ่งใช่ไหมเจ้าคะ่ะเราเหมือนแบบเราเราไม่หนักแน่นพออะคะ่ะพอเราโดนเราก็จะโดนกิเลสลากไปกินอย่างเงี้ยเจ้าคะเหมือนแบบไปไปไปแบบโดนกิเลสลากไปกินพอจะกลับมาแบบเริ่มฝึกใหม่อ่ะคะ่ะมันก็จะรู้สึกเหมือนว่าแบบมัน เราละอายตัวเองมันละอายใจตัวเองอะค่ะว่าแบบเออเราเหมือนแบบพอเราฝึกมาแล้วเนอะแล้วเราก็โดนกิเลสมันล่างไปกินอีกอะไรแบบนี้แล้ค่ะก็อยากก็ตอนนี้ก็จะเริ่มกลับมานับหนึ่งใหม่แบบเนี้ค่ะพระอจมันก็รู้สึกเหมือนแบบต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่แบบนี้ตลอดเลยอะค่ะคือละอายตัวเองมันก็เป็นเรื่องกิเลส่องอะกิเลมันพยายามจะหาอุปทานขัดขวางการกระทําของเราการปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็อยากไปสนใจ ให้เราให้เราดูที่การกระทำของเราเป็นหลักนี่คือสิ่งที่เราต้องทําเมื่อเราทําไม่ได้เราก็ต้องพยายามทาให้มันทําให้ได้แค่นั้นเอง <Yeah. S 1> อย่าไปเอาความรู้เสร็จใีต่างๆเข้นมาเ <Yeah. S 1> วลาลมแล้วมันจะทําให้มันจะขัดขวางเราเร <Yeah. S 1> าไมีหน้าที่ต้องปฏิบัติแมงมุมเวามีหน้าที่ต้องยัีงดูร่างกายเราต้องรับประทานอาหารถึงเวลาก็รับประทานอาหาร ได้คะ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้ไม่มีคํำถามเพิ่มเติมแล้วคะ่ะโยมก็จะกลับไปชุดเริ่มต้นนั่งสมาธิใหม่ค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็พยายามทําให้มันต่อเนื่องคะจะทําแบบคิดกระต่ายทําแบบเต่าหรือแม้จะไปะนั่งพนันนิดพหน่อยก็ดีกว่ากระต่ายที่ทําเวลาอยากจะทําก็ทําทั้งวันทั้งคืนแล้วเนี้อแลไม่อยากจะทำํำก็ไม่ทําเลยเจ้าค่ ะ, ะทําไปให้มันมีวี่ไนให้มันมีให้มีให้มี กำหนดการเอวันนี้เราจะนั่งกี่นาทีนั่งไปพรุนี้นั่งกี่นาทีทําไปให้มันต่อเนื่องเราค่อยเพิ่มขึ้นไปที่เราได้เพียรน้อยก็ได้ตามกําลังของเราค่ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ดาบขอพอบคุณพระอาจารย์มากเลยนะเจ้าค่ะอย่าหยุดถ้าหยุดแล้วมันเมืเวลาจะมาเริ่มนะ่ะใช่ค่ะมันก็ยากใช่เจ้าค่ะอะรที่มันก็จะทำให้เราทวอาล้วก็มาตายตัวเองเลยไปคิดใไปเฉาๆมัน <ไป S 1> ะนะไม่เกิดประโยชน์อะไร เจ้าค่ะคือรู้สึกละอายตัวเองค่ะเจ้าค่ะเหมือนแบบเราก็นั่งมาแล้วเนาะแล้วทีนี้เหมือนพอเราไปไปปาร์ตี้ไปไหนหรือไปข้างนอกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ uh huh. มันมันก็รู้สึกละอายอ่เหมือนเราแบบไปทํามไม่รู้สิค่ะมันเหมือนโดนกิเลสลากไป่างเงี้ยพวกเรามันจะ uh huh. ปฏิบัติก็รู้สึกละอายแใจก็เลยแบบไม่ได้เริ่มสัทีหนึ่งเจ้าค่ะแต่ตอนนี้ก็คิดได้ตามที่พระอาจารย์บอกแล้วเจ้าค่ะ uh huh. ว่าแบบต้องเอาชนะมันนะคะอืมค่ะไปเราไม่สนใจกับอารมณ์ต่างๆสนใจเรื่องการกระทําของเราเราต้องทํา งานนี้เราต้องทำไม่มีใครทําให้เราไนะด้ได้เจ้าค่ะพระอาจารย์ธาตุมันผ่านไปแล้วเราพลาดไปแล้วก็ช่างมันมาเป็นหมดเรียนต่อไปพยายามทําอย่าให้มันขาดอย่าให้งานอย่างอื่นมันดึงอางานนี้ไปต้องรู้จัดปฏิเสธนะงานเจ้าคาพระเจ้ารยองมีควานักแน่นความหนของเราอาจะตรงกับมีปราร์ตี้ก็ว่าถ้ามีปาร์ตี้เรา ก, ก็ต้องหาเวลาหนึ่งมาชดเชย อยาพอยากอยากไปเลิกไปเลยเอาวันนี้มีปาร์ตี้วันนี้เลยไม่นั่งเลยไม่ได้ก็นั่งก่อนไปปาร์ตี้ก็ได้อะไรๆๆ <c oughs> ะเวลาชดเชย <c oughs> นี่ได้เจ <c oughs> ้าค่ะได้เจ้าค่ะวันหยุดวันหยุดก็ ย, ย, ย, ยังมีวันหยุดชดเชยอะไรเลย <c oughs> <c oughs> ยอมยอมแล้วจริงยอมรู้สึกละอายใจอะค่ะก็เลยแต่ว่าจะเข้าใจที่พระอาจารย์สอนแล้วว่าแบบมันเป็นอดีตไปแล้วเจ้าค่ะก็โอเค เป็นไปละอมันก็ไปเกิดไประโยชน์นะยิ่งทำให้การกระทํายากขึ้นไปลำพังใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะรู้สึกแบบนั้นเจ้าค่ะโอเคนะได้เจ้าค่ะกลับขอบคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอภาสนะอันนี้การกดอยู่ที่ไหนเนี่ยออยู่หน้าหน้าเรือนแปดค่ะพระอาจารย์ยังยังอยู่เขาที่องอยู่ยังอยู่บนเขาค่ะพระอาจารย์มาวุนนี้รู้สึกอ่ะ สมัยนะคะคุสัญญาขาดการนะหายไปว่ามาไหอ๋อค่ะก็มาคราวนี้รู้สึกว่าเวลามันเร็วมากเลยพระอาจารย์ก็คือเจอจะใช้สมาธิมากกว่านั่งสมาธิแต่ว่ามันก็เร็วทั้งคู่ค่ะพระอาจารย์รู้สึกอิ่มใจพระอาจารย์ก็แล้วก็ไฟดับใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่ามันก็สันโดษดีมากเลยพระอาจารย์คือได้กินข้าจาวเพย็นใช้น้ําน้อยในการการฟันล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ชุกค่วพระอาจารย์เดี๋ยวมันก็มาอ่า ก็พิจารณาทำสมมธิธรรมานาตานะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวสรุปว่าเดี๋ยวทีต่อไปค่อยถามพระอาจารย์รู้สึกดีมากเลยค่ะพระอาจารย์ดี <c oughs> ใจดียินดีด้วยที่ไปไปปฏิบัติขยันมาปฏิบัติอย่เรื่อยๆ <c oughs> จะเป็นรู้สึกธิ์พระอาจารย์ตั้งใจพระอาจารย์ <Okay. S 1> <c oughs> รู้สึกเลยว่าอกโอ้โหคนเราตายได้ทุกเมื่อป <c oughs> ระชาจารนี่ก็มีสุภาพสตรคนหนึ่งก็มาขวาหนังสือไปอ่านแล้วอน <c oughs> เราก็อยากจะบวญนะโอ้โหนี่เรานะตัวคนเดียวแล้วโอพอปฏิบัติบวชที่บ้านไปก่อนก็ได้แล้วก็มาแล้วก็เราไปปฏิบัติที่วัดของนี้มันต้องอาจจะต้องใช้เวลาหาวัดที่มันถูกของเราอะไรถ้ายังหาไม่ได้ก็เอาที่บ้านมาไปก่อนถ้าเราอยู่คนเดียวก็ปฏิบัติที่บ้านไปก่อนด้วยนะ ตอนนี้บ้านก็เป็นวัดนะว่าอาจารย์ใช้ติดเชียนเป็นเปนตรีสารติดมาก็ไม่เปิดไฟค่อาจารย์ก็ทำบ้านเป็นวัดที่บ้านก็ประหยัเงินทองได้เยี้ยเยอะแนย ะ, ะแล้วก็ฟังหลวงตามมาหาบัวด้วยนะคะจะจบแล้วค่ะของคุณชัยต้องขอบคุณคุณชัยด้วยนะคะตั้งที่ให้มาที่อาจารย์ให้ usb มาค่ะฟังถึงปีสี่หกแล้วค่ะฟังตั้งแต่แรกก็ฟังเรื่อยๆฟังเรื่อยๆติดเชียนฟังคได้อารมณ์มากเลยอาจารย์ของหลวงตามะของหลวงามหาบัวทอาจารย์ให้มาเมื่อสักปีแล้วค่ะ โอ้หเยอะมากเลยพ่ะอาจานที่คุณชัยอัดนนะคะตั้งแต่แรกมาจนกระทั่งถึงปีห้าสองอะค่ะตอนนี้ฟังถึงปีสี่หกแล้วพ่ะย่จาย์ฟังทุกกันเลยค่ะฟังกันชุดทําธรรมชุดเตรียมพร้อมกันดีตอนนั้นก็มีค่ะพ่ะย่ะจานธรรมชุดเตรียมพร้อมเนี่ยฟังไปสองรอบพอรอบแรกอะฟังปรมาเขาชิออนครั้งแรกตอนที่พระอาจานให้มาเขาชิออนตอนนั้นก็ยังมีความกลัวก็เลยเอาเทรมชุดเตรียมพร้อมฟังก่อนพอฟังแล้วดีขึ้นแล้วก็มาฟังอยูุ่ในกันใหญ่อีกรอบหนึ่งที่คุณชัยอัดนนะคะตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่ง ถึงปี52ตอนเนี้กำลังถึงปี46แล้วพระอาจารย์ทำเ อ, อาหลวงตาไในเต็มข้อนใครฟังได้ใครศึกษาขอของท่านได้ถ้า่าะจิตอยู่ในระดับระดับเรียนรู้จากท่านได้คดีมีมีพระอาจารย์คอยสั่งสอนเลยค่ะเคยจริงๆแล้วจำได้ว่าเคยเจอหลวงตามหาบัวตอนที่ท่านไปสะกล์นครนะคะแต่ว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยตอนนั้นไปกราบท่านนะคะทําบุญด้วย ก็คือไปนั่งนั่งเลยนะพระอาจารย์ฟังว่าท่านพูดภาษาอีสานไม่รู้เรื่องเลยคือแบบเสียดายมากเจอหลายรอบเหมนกะตอนช่วงนั้นนะคะแต่ไม่รู้เรื่องเลยยังไม่ถึงเวลาของเราว่าเราจะไม่เสียดายมันผ่านแน้วนะตอนนี้รู้สึกดีมากเลยค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณพระอาจารย์ม า, มากเลยะค่ะโอเคสาดถึงมีอะไรไหมไม่มีนะไม่ค่ะเดี๋ยวทําต่อกันนะโอเคยินไปที่คุณแดนคุณแดน อาารนมัสการคะอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะโอเคน้วง อ, อ้อจากบเรียนดนจากบุรรัมย์นมามัศการค่ะไม่มีคําถามค่ะเข้ามาจาบค่ะจับที่ภาคใหม่ได้ยังเดือนนี้อ้อยเดือนหน้าพฤศจิ ก, กาไม่มีวันหยุดเลยน่าจะไม่ได้ไปค่ะอาจารย์ไม่ได้ไปเลยใช่ค่ะแต่ว่าจะพยายามปฏิบัติอยู่บ้านให้เต็มวันเหมือนที่ไปที่นู่นค่ะ ส <Okay. S 2> าวจะลองแบบเต็มวันเหมือนที่โนน ด, ดูอ่านี่จะไ้ไม่ต้องไปที่บ้านเราก็ปฏิบัติได้ค่ะนีสาธุค่ะขอะบอคุณคุณเอกจากชี่งรายวันนี้เปลี่ยนชุดเลยไม่ยอมเราพาขาน้านะครับเก่าน ม, ามานัสการพระอาจารย์ครับถูกต้องน เ, นเลยเลยอายเลยคดีวันนี้ อากาศก็เย็นเลยไม่มีผ้าขมอาครับอาจารย์ก็ผมเองก็ปฏิบัติอยู่ครับอาจารย์ไม่ไม่ขาดครับหรือในสัญชิกในวันพระอยู่ครับพระอาจารย์ครับรู้สึกแก้วงามเป็นทางด้านสมาธิทางด้านสติกก็มันเข้าสมาธิง่ายหนึ่ง่ายอยู่ครับอาจารย์ครับคือนั่งมันก็กึกแน่นไปเลยครับแบบนิ่งไปเลยครับพระอาจารย์อแต่ก็ มีสติเพิ่มขึ้นมากขึ้นครับอาจารย์ทางปัญญาก็ปล่อยวางได้ได้มากขึ้นนะทางปัญญานะครับอาจารย์ก็เ อ, อ่อนั่งไปมันเกิดเวทนาครับอาจารย์ก็ใช้สติก่อ น, นะฮะส่วนอิทิพิษส่งไว้ก่อนครับอาจารย์แต่ก็เอาไม่อยู่ครับเอาไม่อยู่ก็มาทางปัญญาครับอาจารย์ต้องมาถามใจตัวเองนะครับว่าที่เจ็บนะอยากให้มันหายเจ็บหรือว่า เราไปสั่งมันได้ไหมอย่างเงี้ยครับอาจารย์เออเราบอกม่นสั่งมันไม่ได้ถ้าสั่งมันไม่ได้แล้วก็ก็ต้องปว่อยมันเจ็บครับอก็ยอมับก็ปวดมันเจ็บก็ก็ดูดูไปครับมันมีความเจ็บแต่ไม่ไม่เข้าเป็นผู้เจ็บครับอาจารย์เออก็ มั น, ม, นมันก็จิตมันก็มันมันก็มองดูเหมือนมันจะแ screens, ยกเป็นเป็นกองเป็นกองอ่ะพระอาจารย์ว่าอันนี้ลูกนะนี่นี่คุเวทนานะแล้วก็จ like ิตอยู่ตรงนี also, ้แล้วก็นั่งดูมันไปครับพระอาจารย์ก็ดูเออมันเจ็บก็ให้มันเจ็บไปครับอก็ใจก็ไม่ชอบใจก็ใจก็ใจก็อยู่ไม่ได้ครับมันมันเปามาฮะพะอาจารย์ครับมันก็เบาเพราะว่าเฮ้เราไปสั่งมันไม่ได้ไปขับบังคับมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยก็เออมันเจ็บมันก็เจ็บอย่างเงี้ย ก็ให้มันเจ็บไปครับแล้วมันเจ็บไปก็นั่งจนให้มันพบตามที่ที่เวลาที่ตั้งไว้ครับอาจารย์เพราะว่าช่วงเช้าครับมันมันเหมือนแล้วใจมันแบบว่าเออขอให้เจอมันเถอะใจมันอยากสู้กับมันอย่างเงี้ยอาจารย์ดูอ่ะมันมีกําลังใจครับเหมือนว่าเอ๊ะต้องเจอวันนี้ต้องเจอมันต้องต้องเอากันหน่อยนดูกันหน่อยอะไรประมาณเนี้ครับอาจารย์ครับเออก็อยู่กับมันได้แล้วช่วงที่เราไม่ได้นั่งสมาธินี่เราใช่ใช่อะไร ก็คุมกับใจนก็ก็เวลาเดินไปก็พูดโทพูดโทครับอาจารย์บางทีก็มีบทสวดบ้านครับอาจารย์มีบทสวดก็ขึ้นมาเองครับเวลาไปสัมผัสกับเรื่องเสียงกลิ่นแ้วจะทำยังไงรก็ก็บางทีไปสัมผัสนะครับอาจารย์บางทีมันมันก็ดูที่ใจกว่านนะครับบางทีใจมันมันขึ้นมาปุ๊บอย่างเงี้ยมันมันเหมือนกับเออเราจะพูดจะอะไรมันจะมีเหมือนมันกองไว้ก่อนนะครับก่อนจะพูดจะทําจะอะไร อย่ามันโลรือเป่ามันโกรธหรล่าอะไ้ยครับครับมันจะรู้ครับรู้ทันครับอาจารย์เวลามีความโกรธขึ้นมาอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันก็จะรู้ว่าอ่ะนี้โกรธแล้วนันเนี่ยอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์แต่ความโลภมันก็มีมีอยู่ครับอาจารย์แต่แต่ไม่เยอะฮะมันก็เบาบางมากครับอหมือกับอ่ะเอ้นยนี้ไม่ได้ทํางานมานานแล้วอยากจะทํางานไหมแต่อีกใจก็คิดว่า ทำไปก็แค่นั้นอายุมันก็ห้าสิบกว่าเนื้อจะทําไปกี่วันกี่ปีมันก็จะตายหรืออะไรประมาณนี้พะการ์ประมาณนี้ทำอะไรไปทําอะไรใช่ไหมครับผมานเอาสตินี่มาคนเจ้าอาหาสติคนง้อหาสตางคมาครับผมคือบางทีก็มานั่งคิดนะครับว่าเขาว่าเกษียณกันอายุหกสิบแต่เราอายุห้าสิบเราก็เกษียณได้แล้วก็พออยู่ได้ไม่รู้วันไหนหายใจไม่ออกวันไหนก็ ก็ยังไม่รู้หายใจเข้าไม่หายใจออกก็ใบไบ่เงี้ยก็ไม่ได้มันกสูญเปล่าเกิดมาใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ต้องก็ต้องคิดอย่างนี้ยเวลาเวลาสัมผัสกับเวลาใจเกิดความรอนควาอย่างอะไรขึ้นมาเต้องคอเอาปัญญามาขนัดมันไปครับผมครับผมก็ก็ปฏิบัติไปไปอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับแต่ก็ปฏิบัติทุกวันนะพระอาจารย์ครับวันไหนไม่ปฏิบัติก็ชดเชยอยู่ครับบางทีมีธุระมีอะไรก็ วันทีก็นั่งนั่งนั่งยาวอยู่บางนี้ก็นั่งเกือบเอ่อสิบเอ็ดโมเงี้ยครับบันนีก็นั่งช่วดึก อ, อย้างยอย่าให้ขาดทุนเยอะแล้วกันต้องทำอะไรครับผม <c oughs> ก็พยายามอยู่ครับพระอาจารย์พยายามเต็มที่อยู่ครับก็ถือว่าโชคดีมากนะครับที่ได้มารับฟังพระอาจารย์ได้คําสั่งสอนนะครับจากพระอาจารย์แล้วก็พ่ม่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นด้วยนะครับก็ขอบขอบพระคุณพระอาจารย์มันอย่าสูงครับปฏิบัติอยครับพระอาจารย์พยายามจะเอาให้ได้นะครับพระอาจารย์ เอแต่ก็รครับผมก็ปฏิบัติอยู่ที่บ้านเพราะว่าบางทีเออออกไปข้างนอกก็เหมือนกับว่าอยู่กับพ่อกับแม่แล้วก็บางทีไปที่ไหนอ่ะท่านจะส่วนใหญ่ก็ไม่จะไม่ค่อยสบายในช่วงที่เราไม่อยู่อฮะแต่ช่วงเราอยู่เป็นอะไ ร, ไรประมาณนี้ครับอาจารย์ก็พยายามปฏิบัติที่บ้านให้เต็มที่ครับอาจารย์โอเคครับผมครับเดี๋ยวอ่านต่อเลก่อนนะ ขอบคุณพระอาจารย์ <Okay. S 2> พระผม ข, ขออวยสูาพระอาจารย์สมบูรแข็งแรงนะคะรับอาจารย์ครับสาธุาครั บ, บคุณบรนลีกาอาจารย์นหยงมัดนะอ๋อที่ว่ามาเจ้่ายอยู่ตันหยงมัดชจ้าข่ายอยู่รล้งแงะนะคะก็ปฏิบัติอยู่นะครับพระอาจารย์แต่ว่าก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ทันกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนครับพระอาจารย์ก็คือหมายถึงว่าขณะที่ว่า เรทุกก็ได้เข้าใจว่าทุกแล้วก็รู้ในสิ่งที่แบบต่างกันก็คือเช่นเราไปปาิ์ตี้มานะไปเที่ยวมาแล้วก็เวลามานั่งสมาธิเราก็จะเก็บในสิ่งนั้นมาก็คือมันจะต่างกันกับคนที่ว่าเราปฏิบัติทุกวันก็มันจะจะเห็นได้ต่างกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้ได้คิดถึงว่า กิตก่อนที่จะตายถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องหรือว่าขาดตอนไปเราก็คงจะไปตกอบายเจ้าขันท่าจารย์ก็ดีเขาพยายามอย่าประมาม <Okay. S 2> ทพยายามสร้างสติให้มากควบคุมจิตให้สงบให้ <c oughs> ใหได้ <c oughs> ไม่มีอะไรใช่ไหมวันนี้ไม่มีค่ะปฏิบัติทุกวันเจ้าข็งแล้วก็ฟังเทศของท่านอาจารย์ดยนะคะท่าน ในที่สุดสภานานาค์ทบอกวินฉันกลาวรำราชการเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็ฟังธรรมพระอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติทุกวันเจ้าค่ะพระอาจารย์นั่งสมาธิได้ไม่มากแต่ก็ใช้วิธีรู้ตัวมีสติเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็พิจารณาพิจารณาตามที่พระอาจารย์เทศเวลาเทศก็จะน้อมมาใส่ตัวเองว่า เป็นอย่างที่พระอาจารย์สอนได้หรือยังอย่า ง, างนี้เจ้าค่ะพอาจารย์วันนี้ก็เข้ามากราบพระอาจารย์อ่สาสขององค์สังฆค่ะอ่าในที่ยอมหญิงยอมหญิงพุทธมณฑนสายสองกบับนุสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้พาหลานมากราบพระอาจารย์ค่ะรอที่พ้องเล่นเล่ น, ล น, ล น, ลนกับกับหลวงปูเ่เลยเล่นเล่นกับหลวงปู่ทุกวันใช่ไหมครับ เดี๋ทุกันทุบทุครับก่อนนี่หลวงปู่หลวงปู่ทุบครับก่อนก็หนูกลับหลวงปู่ที่ห้องพักไงลูกกลับแล้วซ้อมซ้มไว้ก่อนเดี๋ยวพาไปกลับหลวงปูุู่เจ้าก่อนเดี๋ยวเอามาเอามาเสียชื่อนะลูกผู้จ้าก่อนสวัสดีครับหลวงปู่ครับนรเมศการครับหลวงปู่ครับเดี๋ยวเรียนไปกลับหลวงปู่นะคะเก่งมากครับเก่งมากครับเก่งครับคุยคุยกับจาย่ค่ะอ่ะยุกลับผู้จาร็วเร็วกับผู้จารย์เร็วยุกขึ้นมาเร็วเว มองไม่เห็นเราเออมาพี่เลี้ยงค่ะเคยเคยไปกับะ้าจารย์แล้วค่ะโอเคค่ะนั่งรอกันทุกคนอ่ะพุ้งมากับผ้าจาย์กับตรงนี้ก็ได้ที่เลี้ยงค่ะค่ะเก่านมัสการค่ะผ้าจานเดี๋ยวไปกับพระอาจาย์ค่ะเดือนหน้าเราค่ะโอเคค่ะทุกค่ะผ้าจานเลือกผ้าจานยังลูกขอบคุณ กลับนะคะอามากลับพระจ้เรียกกับพรานไปแล้วหนุกปูกไปแล้วลูกเนี่ยที่ที่เรนกล่ลวกปู่จองรูครับสังโฆนะพุทโธอะกลับเองพุทโธธโมสังโฆครับค่ะพระจไปต่ออาจารย์สายทิพย์อันนี้อยู่ขนแก่นนะัายไปนี่ กลับนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะหายไปเป็นเดือนเลยค่ะเดือนเลยดือนหนึ่งเดือน่าลยหกเนเดือนนึงเลยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าฟังอยู่ข้างนอกค่ะเพราะว่าทำงานแล้วมันง่วงนอนก็เลยไม่เข้ามาดีกว่าค่ะพระอาจารย์ สินสินแปดก็ล่วงมาเจ็ดหกห้าค่ะ <c oughs> ตามลำดับตามลำดับ <c oughs> แต่ว่าไม่ไม่เคยต่ํากว่าห้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเราก็แบบเอ้ยลองดูว่ะเอ้ยถ้าหิวก็กินอะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็พอสินห้าสมาธิไม่ได้เลยค่ะพระอาจารย <c oughs> ์มันมันมันไม่ได้ก็เลยหลงไปอยู่ประมาณเกือบเดือนค่ะพระอาจารย์แล้วแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วถ้าสินห้าอย่างเงี้ยเราแย่แน่ก็เลยกลับมาถือสินแปดใหม่แต่ว่าบางวันก็ ก็ก็ก็ทานข้าวค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ได้สิงแปดครบเจ็ดวันแต่ช่วงที่จะต้องกลับมาใหม่นี้ต้องต้องเปิดยูท b e ที่เป็นแบบสายวัดป่าค่ะพระอาจารย์เพื่อดึงตัวเองกลับมามไม่งั้นเราดูดู u t u ู e เรื่องอื่นแล้วมันก็ไหลไปแบบเหมือนเพลิดเพลินอะไรเงี้ยค่ะก็แบบโอ้ตายแล้วนั่งสมาธิไม่ได้เลยค่ะ ก็เลยต้องไปเอากำลังใจจากการดูยูท b e ที่เป็นแบบพระท่านวัดสายวัดป่าเป็นยังไงอะไรยังไงเปิดดูเรื่อยๆเลยค่ะพระอาจารย์ก็ได้กำลังใจแล้วก็ถอยกลับมานั่งสมาธิใหม่ได้ค่ะที่หายไปนี่คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะพระอาจารย์ไ ม, ไม่อยากจะไม่อยากจะอายใจ <laughs> ฟังข้างนอก แต่วันนี้เอาเอาเอาข้ามาใหม่ละค่ะพระอาจารย์วัน น, นีน้เสนอหน้าได้ค่ะวันนี้เสนอห <c oughs> นอ้าได้พอดีบ้างตอนในสินล่วงมีดีกว่าอายค่ะพระาอาจารย์ก็ <c oughs> อายตัวเราเองะคนเลยก็เข้ามาดูเราเราอายตัว<ช>เราเองค่ะโอ๊ยตายแล้วเราไม่เคยดีเท่าไหร่เล ย, ยนะคะพระอาจารย์<ม>แล้วก็รู้ว่าสินห้าไม่พอค่ะพระอาจารย์ในการจะไปภาวนานั่งสมาธิมันไม่ได้ค สินห้ามันนนุญาตให้เราไปดูหนังฟังเพลงได้ดูอะไรได้กินอะไรใ ช, ไใช่ค่ะก็เลยแบบสินห้าหนึ่งเดือนที่ที่อยู่กับลองลองอยู่กับสินห้าอะไรประมาณนี้ค่ะแบบเอ้ยสินห้านี้ไม่เหมาะกับผู้ที่จะปฏิบัติเลยค่ะพระอาจารย์ต้องถอยถอยมาสินสินแปดอะไรเงี้ยค่ะหรือไม่ก็เจ็ดก็ยังก็ยังพอได้แต่ถ้าสินหกสินห้าเนี่ย ไม่พอเรียนเรียนรู้แล้วเอ้ยไม่ไม่ไม่ได้ละต้องดึงมาใหม่ค่ะพระอาจารย์การมันสินห้ามันสบายกว่าเยอะเใช่ไหมแต่มันมันไม่ก้าวหน้าเท่าไงเหมือนเรื่องอย่างเราดับเป็นญาโทงมาเรียนเปัญญาตีมง่ายะค่ก็คือเราก็คือเราก็คิดว่าสินห้าเราก็ยังก็ยังเป็นคนดีอยู่นะอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็ยังเป็นแบบแต่ว่าหนีไปจากการนั่งสมาธิเลยค่ะอาจารย์ มันเลอกว่าเอ้ยเราก็ยังเป็นคนดีอยู่นะ <Okay. S 1> แต่ว่าโอ้ไม่ไหวละก็เลยไม่ก้าวหน้าค่ะพระอาจารย์ก็เลยกลับมาใหม่ค่ะ mm hmm. แต่ว่าก็ในเรื่องของการอ่ราวิพัสนาหรืออะไรเงี้ยก็ก็พอบางวันที่นั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์เราก็รู้เห็นลมหายใจเข้าออกแล้วก็ลมหายใจเข้ามันก็รู้สึกว่าเอา้ามันก็ไม่ใช่เราอะไรก็ไม่รู้ที่มันเข้าไปแล้วลมหายใจออกอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบ เป็นเป็นโรงงานโรงงานหนึ่งเหมือนเดิมเลยค่ะพระอาจารย์ทำให้ปล่อยวางได้ง่ายขึ้นใครจะเอาอะไรจะว่าอะไรตามสบายอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ก็ในเรื่องของอื่นๆก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์ก็ยังจะปฏิบัติไปเรื่อยๆหรือเจอแบบฝึกหัดก็ก็ก็พอผ่านอยู่ค่ะพระอาจารย์เจอเรื่องที่รบกวนจิตใจเราก็เหมือนเรื่องเดิมที่เคยกวนก็ไม่ไม่ค่อยกวนแล้วค่ะปล่อยวางได้มากขึ้น ยอมหยดเงนอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เหนจะดี้นน้องนุ๊กคุยกันงานหน้าถอยหลังบ้างสลับกันถอยไปหนึ่งเดือนเลยค่ะพระอาจารย์ถอยไปได้ยัได้สติกลับมาก็าถือว่าโอเคกลับมาใหม่ค่ะเวลาม่มีเรื่องจากคนอื่นก็เราก็อกเออบางเรื่องเราก็แบบทั้งมันเถอะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ยอมได้มากขึ้นค่ะพระอาจารย์ ค่ะประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์พยายามอีูห้ไหนความสำเร็จนี้นั่นนะการหน้าต้องพยายามพิมให้มากขึ้นนะแต่บอกพระอาจารย์เหมือนซ้ําเดิมก็จะพยายามใหม่ค่ะพระอาจารย์ทุกรอบค่ะการเห็นการเปลี่ยนท่าเรืนี้ถือว่าเป็นนักป่าอืมค่ะเรียนรู้จากหนึ่งเดือนที่ผ่านมาค่ะพระอาจารย์ว่า ไม่โอเคกะกะกะแค่สี่ห้าค่ะเลยกลับมาใหม่ค่ะพระอาจารย์อย่างอยก็หกเจ็ดอยู่ค่ะแล้วก็แปดแปดแต่ไม่ได้ทุกวันเพราะว่าบางวันก็ก็ล้าก็ก็เลยกินได้งี้ค่ะพระอาจารย์สภาพ <ๆ S 2> ของพวกคองเรือนมีงานทําันมันมันยังปฏิบัติไม่ได้เต็มที่ต้องต้องเวลาไม่ไม่มีงานทําแล้วนี้ก็สามารถที่จะรักษาได้เต็มที่ค่การช่วงวันหยุดยาวๆที่อยู่ในวัดนี้ การรักษาสินแตได้เต็มที่เลยใช่ไหมค่ะต้องต้องต้องรีบไปค่ะอืมค <Okay. S 2> ่ะค่ะอย่าสู้ต่อไปค่ะสาธุค่ะยินดีที่ได้ยินไดคฟังได้เจอที่ว่าหายหน้าไปแล้วคิดว่าลาออกจากสมาชิพเนี่ยไม่ไม่ลาค่ะแอบฟังข้างนอกค่ะสาธุค่ะนโมจันนโมอาตธรรม ยังคงกรก็ดูยังอยู่กับใจอยู่เป่ายังอยู่ว่าไม่อยู่บ้างครับครับพระอาจารย์แต่ล่าสุดสอบตกครับอาจารย์มันอาการโมโหมันกำเริบครับอาจารย์เพราะว่าสอบเยอะแล้วไม่ได้นั่งสมาธิคราวนี้มันก็เลยไม่ค่อยมีสติครับอาจารย์คราวนี้พอเพื่อนยั่วโมโหมันก็ไปเลยครับอาจารย์อืมคนี่แหละวิชาทางโลกกับวิชาทางธรรมมันต่างกัน ราจารย์วิาทา ง, ลงาโลกมัควบคุมอารมณ์ไม่ได้ครับอาจารย์ต้องระวังต้องอย่าอย่าทิ้งทางธรรมทางโลกก็เลียนไปทางธรรมันต้องรักษาไว้ให้ได้อาจารย์แล้วก็เหมือนเวลามันมีความโกรธอะคะ่ะอาการโกรธอะคะ่ะอาจารย์มันจะเหมือนเราก็มีสติรู้ทันนะคะอาจารย์แต่มันยับยั้งแบบ อาการอากากรที่จะตอบโต้ไม่ได้ครับอาจารย์เหมือนมันก็ยังหลุดออกไปครับอาจารย์เท่านั้นทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือความโกรธนะคือเรารู้ตัวแล้วแต่มันยังหยุดไม่ได้ครับอุเบกขาเราน้อยไปค ร, รับต้องฝึกสติฝึกสมาธิให้มากขึ้นให้มีอุเบกขามากขึ้นการ okay, ความโกรธก็เฉยๆยอมหยุดเย็นไปยอมแพ้เอยวางเลยก็ว่าไปค ร, รับอาจต่อสู้ครับ อาจารย์เราไม่ได้ยันครับอาจารย์ตด้ครับจะต้องกลับไปฝึกพอดีสอบตกอืธิบดีสอบตกคือย่าประมาทก็แล้วนะครับอาจารย์ได้ครับอาจารย์จะรีบกลับไปฝึกต่อเลยค่ะอือมีเวลาเท่าไหร่ก็ให้กับการฝึกไปเลยกันนะยี่กเราไปทําอะไรอย่างอื่นครับอาจารย์แล้วก็อาจารย์ครัพอมันช่วงนี้มันมีสอบเยอะๆอะครับอาจารย์มันเหมือนเรา คืองานมันก็ไม่ได้ดูจะซีเรียสขนาดนั้นแต่เพราะว่าเราเหมือนคาดหวังกับตัวเองว่าอยากทําคะแนนให้ได้ดีๆครับอาจารย์มันก็เลยจะเหมือนอยู่เท่าไหร่ก็ไม่พอครับอาจารย์เหมือนติวแล้วคือเหมือนเราจําได้ทุกอย่างเนื้อหาข้อหมดแล้วแต่มันก็ยังไม่พอมันต้องฝึกอีกฝึกอีกฝึกอีกเรื่อยๆจนมันเครียดไปหมดเลยครับอาจารย์แบบนี้มันต้องทําไงครับย้อนต้องรู้จักถ้ามันเครียแล้วก็ต้องหยุดนะ มันเต็มกันไปแนละ้วมากเกินไปแนละ้วแล้วก็าลดความอยากลงว่าอ้าขอให้ผ่านก็พออืเขาอยากให้สับตกก็พออืใช่ไหมเอาใจมันมันมันเรีนเป็มที่ของมันแลหลนะได้ท่านี้นะนี่เวลาไปสอบง่ายแล้วแต่อะไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเครียดนีืเป็นบ้าไปมันไ ม, ไม่ไม่คุ้มหร อาจารย์แล้วก็มันเหมือนวแบบ่ารู้สึกเหมือนบางบางวันที่นั่งทํางานสมมุติว่านั่งทํางานอยู่ค่ะอาจารย์บางทีมันก็เหมือนมีความคิดพุดขึ้นมาว่าแบบเออทําไมเราไม่เอาเวลานี้ไปอยู่กับครอบครัวอะไรเงี้ยครับอาจารย์มันเหมือนคอยมาขัดการทํางานนะครับอาจารย์มันเราต้องใช้สติอามาควบคุมถูกไหมครับอาจารย์ไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเออไม่ว่าเราใช้บรร ญ, ญา ช่างทั้งหลักหรือ ว, ว่าทำอย่างนั้นกันอย่างนี้อย่างไร ม, มีคุณประโยชน์กว่าหราือเ่าครับอาจารย์ใช่ครับจะนำกลับไปปฏิบัติครับอาจารย์ลองมาสอบใหม่ค่ะโอเคครับอาจารย์ก็ตั้งใจเองก็ดีแต่อย่าไปอยากที่ผลให้ตั้งใจที่เหตุต้องทำที่เหตุไปพยายามดูทําเสืออะไรไปพอมันถึงเมื่อเสร็จว่ามันเชื่อก็ต้องอยู่ถ่ามัน จิตใจมันรับมันสมองดูจิตใจมันรับได้แค่ระดับนั้นถ้าพยายามที่จะไปดูต่อมันก็มันก็ไม่ไม่เกิดประโยชน์ทำ ต, ตมามคำพักสมาธิแทนนี่ค่ะทำมานั่งสมาธิพุโทโธทำใจให้สงบแทนครับอาจารย์เนื่ยใจสงบอใใงกอกไปก็ไปดูต่อก็ได้ครับอาจารย์ได้ครับโอเวอร์เนะรู้จักคําว่าโอเวอร์เฮดมรถมันโอเวอร์เฮด คืออะไรอะอาจารย์เวอร์ฮีมันร้อนอ๋อโอเวอร์ฮีทผมนึกว่าเป็นคำบาลีค่ะบอาจารย์ oh. mm. <laughs> ผมได้ยินพระอาจารย์บอกโอเวอร์ฮีทผมนึกว่าเป็นคาบาลีโอเวอร์ฮีทเมี่ยมันร้อนมันขึ้นขีดแดงแะความร้อนก็ต้องหอยุ <Okay. S 2> ขดขน้ําดอะรไปต่วให้มันให้มันเย็นลงก่อนใจเราพอถึงจุดเชื่อแสดงว่ามันมันมันเกินไปแล้ว อาจารย์ต้องพักหยุดมาทําสมาธิก่อนครับพระอาจารย์ได้ครับจะนำกลับไปปฏิบัติครับแล้วเดี๋ยวมาสอบใหม่อาทิตย์หน้าครับพอาจารย์โอเคครับขอบคุณพระอาจารย์ครับเป็นอัญ ญ, ญานีนะอัญ ญ, ญานีอยู่ที่ไหนเป็นอัญ ญ, ญานีแกรบแกรบแกรบนมัสการค่ะ จากละครราชสีมาค่ะพระาอาจารย์ก็ส่งกันบ้านค่ะเมื่อเมื่อวันเข้าซูมของคุณหมอวีนะคะ่ะก็ได้ได้เรียนถามพระอาจารย์ว่าเราจะอยู่สงบท่ามกลางความวุ่นวายอย่างไรค่ะก็พระอาจารย์ก็ได้แนะนำให้เจริญสติเบื้องต้นไปก่อนแล้วก็ถ้าถึงที่ทำงานเราเราก็จะ มันจะชุ่มเย็นมากขึ้นหมายถึงว่าพ อ, อพอได้ฝึกจากที่บ้านแล้วก็ไปที่ทำงานเมื่อมันวุ่นวายก็แอ บ, บปรีกบ้างนะคะพระอาจารย์ปรีบ้างทีละห้านาทีสิบนาทีมเมื่อมีโดนทดสอบสภาวัธรรมนะคะก็ก็ผ่านได้อยู่นะคะหมายถึงว่าเราเออ ม, มันใจมันชุ่มเย็นมากขึ้นนะคะพระอาจารย์สติเนี่ยทำให้ ใ, ใจเราเย็นทำให้ ใ, ใจใเราเฉยได้ ถือเป็นโชคดีมากๆค่ะที่ได้เข้ามามาซูมกับพระอาจารย์ประมาณสามครั้งค่ะแต่หลังจากนั้นก็ไปดูอ่อ youtube ไล่ดูไปเรื่อยๆนะคะอา่อาก็ตั้งใจที่จ ะ, จะเจริญสติมากๆแล้วก็มีโอกาสจะไปปรับนำ้ำมัสการพระอาจารย์นะคะอา่าสเตนี้<ะ>พ้าเจ้าบอกคุณธทรที่สำคัญที่สุดค่ะงานพยายามฝึกสตนมากๆอย่างที่ ก่อนที่จะมาทํางานนี่เราก็อยู่เตรียมขนาดที่เราเตรียมตัวเราก็ฝึกสติไม่ได้เจ้าค่ะขนาดเดินทางเนี่ยเราไม่ขับรถแล้วก็ฝึกสติต่อไปเจ้าค่ะก็คือตอ่อตอนเช้าเราก็กำเจริญสติแล้วก็พอไปอที่ทํางานแหละทุกอย่างมันเหมือนกับมันมันดีขึ้นค่ะ ม, มันมันเย็นแล้วก็นิ่งแล้วก็เอพูด สิ่งแวดล้อมรอบข้างเขาก็ดูมีความสุขมากขึ้นถ้าเรานิ่งเย็ น, นะคะพระาอายอย<พ>อจารย์เพราะเราเครียดเขาเครียดตามนะเจา้าค่ะเจ้าค่<จ>ะก็เราเป็นหัวหน้าเอาอขาอย่าง้ฮาฮ่าฮ่เอออเจ้านาที่อาร ม, มเป็นยังไงฮ่าฮ่าฮาแล้วค่ะแต่แต่ก็คือดีๆค่ะพระอาจารย์ก็จะเอาไปใช้ต่อไปนะค่ะจะก็จะมาส่งกันบ้านเรื่อยๆนะเจ้าค่ะตอนนี้ยังทำงานอยู่ไมนกลับบ้านอ๋อ เออมามาถึงมาถึงบ้านแล้วค่ะแต่ว่ามันมีหลานๆอ่อยู่ก็เลยต้องใส่แมสก์หน่อยนึงนะเจ้าค่ะดีดีขึ้นค่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวฝึกสตินะอย่าทิ้งนสตินี่จำเป็นนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะเวลาในทุกกรณีเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระอาจารย์อาธุคุณธนพลเชิญขอธรรมบอสขันธวัฒน์ศรีคับพระอาจารย์คนมากราพระอาจารย์ครับ ไม่มีอะไรนะดีครับโอเคยนไปทีก่กอันดานะอันดาอันดาอยู่ที่ไหนปน่านนรัศการผูาจาร์ค่ะอยู่ตะกัวป่าพังงาค่ะเพิ่งเข้ามาข้างแรกอยากจะมาฟังผูาจาร์ใช่ๆค่ะไม่มีคําถามม่อะไรนะไม่มีคําถามในเวลานี้ค่ะตะกัวป่านี่อยู่จังหวัดพังงาใช่ไหมอยู่จังหวัดพังงาค่ะอืมอยู่ ใกล้ไปทางภูเก็ตใกล้ไปทางทางลานองนะครับงทาภูเก็ตจะถึงหลังพังงาค่ะอ่าถ้าหากว่ามาจากทางกรทมเนี่ยถ้าผ่านละนองก็ถึงจะมาอ่าภุละบุรีตะกัวป่าแล้วก็ไปภูเก็ตต่อค่ะถ้ามาทางสุราษฎร์ก็ต้องผ่านอ่าถ้าจะไปภูเก็ตก็อาจจะผ่านไปทางพังงาแล้วไปภูเก็ตได้หรือว่าจะผ่านตะกัวป่าก่อนแล้วถึงจะไปภูเก็ตก็ได้ค่ะ ตะ ก, กวัวป่าก็อยู่อยู่เหนืออยู่เหนืออยู่เหนือภูเก็ตใช่ไหมอยู่เหนือภูกเก็ตค่ะผ่านพ อ, อถึงมะนาวมาไปถึงกรุงบุรีก่อนใช่ค่ะแล้วตะ ก, ก, กัวป่าค่ะถ้าไปภูกเก็ตนี่ต้องผากก่านตะกัวป่าที่เนี่ยที่เนีเข้าภูเก็ตใ่ไมันถ้าใช้เส้นทางตะกัวป่าก็จะผ่านตะ ก, ก, กัวป่าแต่ถ้าใช้เส้นทางอำเภอเมืองพังงาก็จะไม่ผ่านตะ ก, กัวป่ า, ปาค่ะอ๋อ ถ้าหากว่ามาเส้นละนองก็จะผ่านตะกวัวป่ามันจะใกล้กว่าที่จะไปทางพ ง, งาค่ะอืมใช่เพราะทางจังหวัดพงงามันไปทางสุราษฎนระ์ใช่ไมันยังเรื่องค่ะมาเส้นสุราษฎร์ก็ได้มาเส้นละนองก็ได้ค่ะอืมดี๋ยยินดีนะนรับขอบพระคุณค่ะหนูสนใจทางนี้อยู่ค่ะก็ก็ดูไปเรื่อยๆค่ะ <ไป S 2> มาเจอท่านอาจารย์พอดีก็อชอบค่ะ รก็ปฏิบัติัปด้วยนะอ่าก็ส่วนใหญ่จะเป็นประมาณอ่ารู้ลมหายใจบ้างบางเวลาอะไรแบบนี้ค่ะอยังยังจับจุดของตัวเองไม่ได้ว่าควรจะเอาอ่าลมหายใจหรือว่าจะเอาผู้โทอะไรพวกเนี้ยค่ะลองทำเลยลองทำหรือนั่งนั่งทาไปเร็วผู้โทรลมหายใจก็ได้ไม่ลองก็ไม่รู้ไม่ลองก็ไม่รู้ขอพยายามอยู่ค่ะขอบคุณอาจารย์ที่แนะนำค่ะอ่าสาธุ อ่าท่านนี้ก่อนนะค่ะนำ้ำมาสการขอบคุณค่ะอ่าคุณชะเนินตามันชะเนนอยู่ที่ไหนมันชะเนินหนึ่งนะพร้อภใยด้วยกนนี้ครับพระอาจารย์ครับอ่าอยู่ที่ไหนอยู่ปทุมธานีครับอืามีอะไรในวันนี้อ่าผมหายไปประมาณสามอาทิตย์ได้ครับ ก็แวะมากราบพระอาจารย์แล้วก็กลับมาอยู่อยู่กับธรรมะให้อยู่ใกล้ๆตัวไว้ไม่อยากไปไกลครับใชาธรรมะนี่เป็นอาวุธที่ดีปราบพิเลน์ไม่ปราบพิเลนครับจะต่อไปนี้ก็ถ้าไม่ถ้ากลับมาทันพระอาจารย์ก็จะเข้ามาฟังตลอดจะไม่หายไปแล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเราห่างธรรมะมันอ่าผมอยากอยู่ใกล้มากกว่าครับรู้สึกเหมือนบ้านเราอ่ะ มีธมรรมะแล้วมันเย็นใจสบายใจใช่ครับรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านจริงๆเลยกลับเข้ามาครับอหมือ น, น, นที้พึ่งทําใจครับท่านมังสารนันกระชานีมิครั บ, รบ <Okay. S 1> ตอนนี้ครับตอนนี้ก็จะมาเรียนว่ากลับมาปฏิบัติเหมือนเดิมแล้วก็นั่งนางนาขึ้นจนแบบเมื่อยไม่ไหวจนทนเวทนาไม่ไหวค่อยค่อยเลิกไปแล้วเดี๋ยววันหลังมาสู้ใหม่เพราะว่า ผมทำงานก็จะเลิกดึกอยู่แล้วด้วยแล้วก็ทำทั้งวันอยู่แล้วครับโอเคอเคในการปัจจุบันินี้สำคัญนะอย่าศึกษาอย่างเดียวศึกษาแล้วต้องปฏิบัติไปด้วยครับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาครับโอเคเวลาพิเศษ น, น้องชายเนื้อเงินการจำไม่ได้ส ก, กนทรครับอาจารย์ไก่ละไก่ลวครับ ก็เห็นได้หลายคนก็ฝึกแล้วก็เลิกฝึกว่างผมก็บางทีก็อยากจะขี้เกียจอยู่เหมือนกันครับอาจารย์ฝึกสุดนี้มันขี้เกียจอยู่ตลอดแต่เราก็ต้องสู้อยู่ทุกวัน<ะ>ที่เราเราหยุดไม่ได้เพรา ะ, ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องดัดนิสัยตัวเองก็งงทําอยู่อย่างนั้นทุกวันฟื้นอยู่ทุกวันบา ง, งทีก็ก็ซึ้งง่วงนอนแต่ก็ต้องทําก่อน อ, <ะ>อเพราะว่าถือว่าตัวตัวที่เป็นกิตสําคัญเลยสําหรับสําหรับผมนะที่ผมตั้งไว้เพราะว่า ไอ้ตัวนี้มันเป็นเรื่องของอะไเรื่องเรื่องของสัจจะวาจาด้วยนั่นแหละเพราะว่าถ้าสัจจวิจารเรารักษาไว้มั่นคงเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาที่เรานึกเอาในสิ่งที่เราตั้งไว้เนี่ยมันมันจะรู้สึกผิดๆในใจหน่อยอ่ามันมันรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็สัจจะด้วยมันเป็นอย่างมั่นครับตัวนั้นมันมันเสริมใจให้ให้ให้มันจริงๆมันช่วยในเรื่องของการฝึกสมาธิภาวนาเท่าที่ผมนั้นนะมันจะ รู้สึกมีความสุขในใจนิดๆแต่เวลาเรานึกถึงในตัวที่เราตั้งไว้แล้วเราทำทาอยู่ประจำครับประจำะสัจจาอธิ่ฐานอธิฐานสัจจาครับ<อ>แล้วก็ตัวที่ไปคู่กันเมือ่อก่อนเห็นพระอาจารย์บอกว่าคูาอาจารย์ทางศิลปนครเยอะ ลูกปูแบรนอย่างนี้เนาะที่พระอาจารย์พูดเนาะหมดก่อนเนาะแต่ครูบาอาจารย์ทางสุพรรณนครก็เยอะอยู่กับอาจารย์ผมก็ไปหาไปหาลายองอยู่ครับไปไปกราบท่านไปทำธรรมจากท่านครับก็มีครูบาอาจารย์ที่ขึ้นมาใหม่ๆที่อยู่ภูพานก็เยอะกับอาจารย์ใช่ก็ลูกหลานเหลนของหลงปู่มั่นนะครับครับครับลูกศิลป์หลวงอาจารย์แบรนก็เยอะครับหลวงปูแบรนแล้วก็หลวงปู่มันที่เขาตายที่สุพรรณนครนี่ย ครับอาจารย์จะมาป่าสุทาวานยังไปอยู่เราใช่ครับใช่ครับก็ฝึกอยู่กับอาจารย์ตอนนี้สมาธิก็ก็ก็ก็ฝึกอยู่ทุกวันฝืนอยู่ทุกวันก็ก็เปรียบได้ว่าการฝึกสมาธิภาวนาเนี่ยมันก็เหมือนพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะครับเปรียบเปรียบเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าตอนที่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นมันก็ยังมืดมิดอยู่เหมือนสติปัญญาเรายังไม่ดีแต่พอพระอาทิตย์มันเริ่มจะพ้นขอบฟ้ามันก็เริ่มมองเหตนโน่นเห็นนี่ขึ้นเรื่อย จนผ้าทิตย์มันขึ้นมันก็จะมองเห็นทุกอย่างได้ชัดขึ้นครับก็จะกประมาณนั้นครับไปก็ตอนนี้ฝึกก็รู้สึกจิตมันมันรู้สึกมันเริ่มเริ่มที่จะอมันเริ่มค้นลงไปในคําภาวนาพุทโธนั่นแหละอืมมันมันมันมันเริ่มที่จะไม่อยากจะไปตรงจุดอื่นมันเริ่มอยากจะลงไปดูในคําภาวนาพุทโธมันเป็นยังไงแล้วก็ลงดูในลมหายใจนะครับอาจารย์ ก็ประมาณนี้สาโอเคครับอนนี้ก่อนนะครับอ่าคอนเลนดอนวันนี้เข้ามาเร็วนะจอาอนเดยไม่เขาได้ยินแล้วได้ยินแล้วว่ารัชการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้เข้ามาเร็วค่ะอาทิตย์ที่แล้วก็ไปไไปก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องความอยาก รับประทานอาหแต่พอหลังจากที่ได้คุยกับค่าจันคราวที่รล้วเออมันมีแต่ตัวอยากเพราะว่าจริงๆแล้วลมร่างกายเราไม่ได้ต้องการอาหารขนาดนั้นทำไมเราต้องไปสรรหาอะไรตะไลมาหาอะไรกินก็เลยก็สามารถควบคุมอาหารในที่ผ่านมาได้ค่ะแต่จะไปดูหนังแทนนะคะจย์มันไม่ช่องไปเลยมันไม่ช่องรอเปล่ยนรงนี้มันก็ไปอีกทางง ไปดูหนังจีนกําลังภายในมันก็เลยกลายเป็นว่าปกติเนี้ยโยงจะนั่งสมาธิก่อนนอนแล้วก็ไม่ได้ฝันอะไรอะค่ะแต่พอไปดูหนังปุ๊บมันก็ฝันว่าตัวเองเป็นตัวละคระเวลาดูมันก็อินไปด้วยใช่ค่ะไปไ ป, ไปช่วยเขากู้การบ้านเมืองอ่าก็ก็ยงก็รู้รู้สึกว่ามันกิเลสมันพาไปได้ทุกทางจริ ง, ๆ ท, งๆทั้งทั้งที่ โยมคิดว่าสมาธิเรานําสติอ่ะค่ะมันมันเห็นว่ามันเห็นว่ามันคือกิเลสแต่มันไม่มีสติในการหยุดกิเลสให้มันยังต้องฝึกสติอีกเยอะค่ะพระอาจารย์สติสมาธินําสติไม่ได้มันสตินําสมาธิใช่ค่ะพระอาจารย์โยงเห็นชัดเจนเลยว่า<ม>โอ้โหตอนนี้รู้ทั้งรู้ท้งขณะที่ดูยังรู้แล้วนะว่านี่คือกิเลสรู้แต่ว่ามันหยุดไม่ได้ก็เอ่าสติการสติการปัญญา ค่ะก็ต้องก็ต้องก็ต้องฝึกต่อไปอะค่ะแต่ก็ยังนั่งปฏิบัติอยู่เรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ก็เลยต้องเข้ามารับกําลังใจเพื่อที่จะได้ไปปฏิบัติต่อค่ะพระอาจารย์เจอคนจีนบ้างเหรอเจออยู่นะเพจะเพิ่งจะแชทเมื่อกี้นี้กันนะคะเอาจีบมากราบพระอาจารย์ด้วยค่ะตอนนี้น่าจะอยู่ที่ขอดนะคะน่าจะจะทําเรื่องอยู่อะค่ะ <Okay. S 2> ยมก็บอกว่าเสร็จแล้วก็สุดยมคิดว่าเขาคงต้องการกําลังใจ mm hmm. คงจะมาขอพรจากพร mm hmm. ะอาจารย์แต่ยมก็บอกเขาว่า เ, าเดี๋ยวเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวค่อยคุยกันนะใช่คงรอทีหลังเพราะคิวมันยาวตอนนี้อ่าค่ะเขาบอกว่าต้องติดโทรศรัพท์เหรอค่ะเพราะว่าอยู่ในศาลแล้วค่ะ mm hmm. ค่ะ <Okay. S 2> พระ <Okay. S 2> ในก็นมัส ก, การพระอาจารย์นะคะขอให้พระอาจารย์ท่าแข่งแข็งแรงค่ะการงานเรียบร้อยดีนะเรียบร้อยดีค่ะภ <Okay. Okay. S 2> าษาถูกค่ะดูเกนเรียบร้อยดี ลูกก็ดีขึ้นเยอะค่ะก็ก็ก็อย่างเอ oh. อยังรับประทานยาแล้วก็เหมือนโยมก็มีพวกตัวเซอร์เวค่อยให้เขาทำอยู่เพื่อที่จะให้เขาลองดูว่าจิตเป็นยังไงโยมก็อยากให้เขาเข้ามาปฏิบัติแต่อาจจะยังไม่ถึงเวลาของเขา mm hmm. อย่างที่พระอาจารย์บอกว่ามันกรรมของใครมันเราก็ได้แต่สวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ทำให้เขาดูเวลามีอะไรแล้วก็เอาธรรมะสอดแทรกเข้าไปในในคาสอน แล้วยมก็เชื่อว่าเขาก็ฟังแล้วเขาก็เชื่อแล้วตัวเขาก็เห็นว่ามันมีเหตุมันจึงมีปัจจัยมันจึงมีเหตุมันจึงส่งผลแบบนี้แต่ด้วยแต่ด้วยสิ่งแวดล้อมที่เขาเป็นอยู่ก็มันก็ยังมันก็ยังแล้วก็ด้วยวัยด้วยเขายังจิตใจเขายังไม่โตพอที่จะยอมรับในเรื่องของการฝึกสติให้ให้มั่นคงอันนี้ให้เขารักษาสีไม่ก่อนค่ะค่ะยมก็บอกให้เขารักษาสีอย่างน้อย อก็แปลใ้เขาฟังว่าคอห้าคอนี้มันคืออะไรแล้วต้องทํำยังแต่เด็กสมัยนี้เขาเขาติดพวกอินเทอร์เน็ตเขาดูน่าจะศาสนาทิก톡เนี้ยก็จะเขาจะช่วยเขาจะช่วยได่ไยชอบเาใครก็ต้องมีความรับผิดชอบกับการเรียนของเขาต้ับแต่ค่ะผอจารย์ก็ทุกวันนี้หลังจากโยมกลับมาจากเมืองไทยโยมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ ยมก็ค่อยค่อยมองคอยดูอยู่ค่ะว่าให้จิตใจเขาสบายแล้วก็ค่อยบอกเขาว่าบางทีการเจอเรื่องราวต่างๆจิตใจถูกกระทบเนี่ยมันมีทั้งมีหนักมีเบามีสุขมีทุกข์แต่ให้รักษาความความเป็นอุเบกขาค่ะให้ได้นานทีน่สุดเราก็เราก็บอกให้เขามาทางธรรมะนี่แหละค่ะพระอาจารย์แต่เราก็ไม่พูดตรงๆเพราะว่าถ้าพูดว่านี่เป็นศาสนานี่เป็นธรรมะเขาก็จะขวางทันทีอาจารย์ โยมก็บอกว่านี่คือความเป็นจริงนี่ไม่ใช่ศาสนาออืก็ค่อยๆสอนกันไปอ่ะค่ะพระอาจารย์นี่เป็นวิทยาศาสตร์หรอคะขาใช่ค่ะพระอาจารย์ก็ก็ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์มันใช้เวลาแล้วก็โยมก็เข้าใจว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเมื่อวานอาจจะไม่ดีวันนี้อาจจะดีพรุ่งนี้อาจจะไม่ไม่ดีก็ได้แล้วแต่เรา้วเราก็ทําหน้าที่ของเราให้สมบุรแล้วกันถ้าเขาจะได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ของเขาใช่ค่ะโยมก็โยมก็วางใจอย่างที่พระอาจารย์สอนเนี่แหละค่ะพระอาจารย์ ขอบคับขอบคุณอาจารย์มากๆาค่ะนะทุกค่ะม okay. ันปางอะไรศิริชากลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อวันเกเรไม่ได้คุ่ยฟังค่ะอพระอาจารย์คราวที่แล้วที่หนูมากลับเรียนพระอาจารย์ว่าหนูว่าทําสมาธิได้ดีพอมันมีเรื่องเข้ามารบกวนจิตใจเมื่อสองสาวันนะคะมันก็เลยสติมันไม่ได้เพราะว่ามันมีสิ่งเล้าเยอะ เรื่องก็คือลูกสาวโดนคุกคามที่หอพักที่มาหาวิทยาลัยค่ะเป็นพ่อของเพื่อนตอนแรกลูกสาวนะึกว่าเป็นคนที่โบสถคริสต์มาตามเช็คไปเช็คมาไกลว่าเป็นว่าเป็นพ่อของเพื่อนมาแล้วก็แม่บ้านหอพักให้โทรศัพท์ไปคุยปรากฏว่าเหมือนเหมือนมีการพูดจาแทรกลมขึ้นลูกก็ตกใจก็เลยโทรศัพท์มาร้องไห้อะ่ะแต่ตอนนั้นนหนูหนูนั่งสมาธิเยอะมากคะหนูก็เลยมีสติค่อนข้างเยอะ หนูก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรก็แค่บอกไปว่าเออให้ทําอะไรบ้างแต่ว่าพอพอไปไปพบญาติค่ะเขาคุยแจ้งเขาบอกว่าโทรไปหาอาจารย์หรือ ย, ยังไปติดต่อตํารวจหรือยังมันมันมันไปเยอะจนจนอุเบกขามหมดนะคะ่ะพระอาจารย์หนูก็เลยไล่โทราศัพท์เช็คทั้งลูกเพื่อนลูกที่มหาลัยภรรยาของคนที่คุกคามแล้วก็เจอตัวคนที่คุกคามตอนแรกเนี่ย หนูคุยกับเขาหนูไม่แสดงอาการโกรธค่ะแต่ว่าหนูไม่รู้ยังไงหนูรู้สึกจิตใจหนูไม่ค่อยดีหนูก็เลยค่อยๆแกะวันี้ไปเจอแม่ชีเหนียวเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องความอยากซะมากกว่าเพราะว่าหนูอยากให้เขาโทรมาคุยกับหนูเขาไม่ยอมคุยหนูก็เลยหนูก็เลยใช้วิธีสกปรกอะค่ะกดดันลูกสาวอะไรอย่างนี้ค่ะจนกระทั่งเขาติดต่อมาแต่ว่าเมื่อวานเมาานื่อวันวันจำฟังธทำแล้วดีขึ้นนะคะ กลับไปแล้วติดต่อกับทางทางผู้ชายอีกมันก็เลยทำให้หนูโกรธอีกแต่สุดท้ายหนูก็ต้องกราบขอบคุณทําพระอาจารย์ที่คอยสอนไว้ก็คือหนูลดอัตราตัวตนลงเขาไม่ขอโทษหนูหนูก็เลยขอโทษเขาพอหลังจากนั้นนะคะเขาก็เลยร้องไห้แล้วเขาก็เลยกราบกล่าวขอโทษหนูเรียบร้อยละหนูแค่ขอเขาว่าไม่ให้ไปยุ่งกับไม่ให้ไปหาลูกสาวหนูอีก ถ้าถ้าจะขอให้ไปอยู่หอพักกับลูกสาวด้วยกันให้มาขอที่หนูอะไรเงี้ยค่ะมันก็เรื่องมันก็จบลงแต่หนูยังไม่มั่นใจเลยค่ะว่าเคลียร์เคลียร์แล้วหรือยังทีเนี้ยจิตใจหนูมันไม่ดีก็คือมันยังอยู่ที่เรื่องของความอยากต้องไม่เจ้าค่ะค่ะจริงเราอยากจะเป็ น, ปนลูกสาวเนี่ยความจริงต้องปล่อยให้ลูกสาวเ้าเป็นตัวเขาเองเราต้องจัดดูแลรักษาตัวเขาเองแล้วก็เป็นหน้าที่สอนเ้า เราไปเป็นเราไปเราไปเป็นตัวเขาไม่ได้ก็อยู่ที่เขาเราก็บอกเขาวิธีที่เขาควรจะทำอย่างไรอย่าไปเกี่ยวข้องกับใครใครก็โทรมาก็อย่าไปตอบถ้ารู้มันถ้ารู้มันไม่ดีก็อย่าไปคุยคุยกับเขารู้จักรักษาตัวเองรักันตัวเอง เราไปห้ามคนอื่นก็ไม่ได้คนอื่นเขาจะทําอะไรก็น่าจะเป็นบทเตีย้ยแล้วค่ะในความที่เป็นคนเฟรนลี่อะค่ะก็ก็สอนเขาว่าบางทีก็ไม่ต้องไปร่วมกับใครบ้างก็ได้ืทีนี้หนูก็เลยมานั่งนั่งคือนั่งไล่ดูตั้งแต่ที่ยังไม่โกรธโกรธพยาบาทแล้วก็ความอยากแล้วก็ลดอัตราตัวตนลงค่ะหนูก็เลยหนูก็เลยมาเข้าใจว่าอ๋อ พ อ, พอเวลาเหมือนที่เราไม่มีเบกขาค่ะกิเลสเล่นงานเอาซะน่วงเลยค่ะาตาตวงตัวมันจะออกมาลูกกูของกูอะไรไอย่างฉันถูกฉั น, น, นอะไรเขาผิดอะไรต่างๆไม่เลยเมา<อ>ว่าเป็นอันิากาตุการาตาเลยก็ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ลืมที่จะที่จะนั่งสมาธิค่ะต้อง ก็ทําไปเรื่อยๆไม่ไม่ฝืนค่ะเพราะว่ารู้ว่าถ้านั่งสมาธิแล้วมันจะทําให้เราสบายเราจะสบายใจขึ้นเราเข้าใจตรงต้นต้องไปดูว่าเขาเป็นนักตากเราไปควบคุมบังครับไปสั่ก็ห้ามเขาไม่ได้หรือคะส่วนลูกสาวเราก็เราก็ต้องสอนเขาบอกเขาวิธีแต่เขาจะเชื่อเราไม่เชื่อเราเป็นก้อนเล็กของเขานะค่ะก็เป็นบทเรียนแล้วเจ้ค่ะอเท่านี้เจ้าค่ะอืา โอเคคุณทวิสาที่ข้างหลังนี่เป็นภูเขาเลยที่บ้านภาพสวยนะข้างหลังบ้านค่ะพระอาจารย์เป็นเป็นภูเขาค่ะพระอาจารย์ค่ะหลังเป็นภูเขาที่ที่ล้อมรอบเมืองนี้อะค่ะอาจารย์ก็ไม่ไม่ไม่ใหญ่มากเลยค่ะไม่ไม่ไม่ใหญ่ค่ะ ประชากรจำไม่ได้ค่ะแต่ก็ไม่ใหญ่มากค่ะเป็นเป็นอำเภอเล็กๆะค่ะตัวภูเขาไม่ได้ไม่ได้สูงใหญ่ครเขอสูงค่ะผ้าามันมันไกลนะคะผ้าดันแต่มันค่ะมันใหญ่มันมันใหญ่มากมันก็เลยดูเหมือนเหมือนเหมือนใกล้ๆอะค่ะดูเหมือนมีต้นไม้ด้วยนสีเขียวมีต้นไม้ใช่ไหมค่ะมีต้นไม้ด้วยค่ะผ้าดันต้นไม้นี่อยู่ใกล้ๆแต่ ภูเขานี้หลังภูเขานี้ไปก็จะเป็นอิตาลีค่ะพระอาจารย์อ่าอ uh, ยู่ถึงติดภูมแดนเลยตอนนี้ใช่ค่ะติดภูมแดงค่ะพระอาจารย์ mm. ก็จะเป็นข้ามข้ามหลังภูเขาไปก็จะเป็นเขตชายแดนอิตาลีค่ะก็ไปอิตาลีเลย mm. ก็ uh. ออกไปทางโซนอะลงไปก็จะเป็นขับไปสักประมาณชั่วโมงครึ่งก็จะถึงมิลานนะคะพระอาจารย์มิลานค่ะอ ย, อยู่ใกล้มิลาน ก็ใกล้บางไม่ได้บางจะพูดมีลานอยู่ทางเหนือของของอิตาลีนี่นะค่ะก็คือทางนี้มันจะเป็นเขตมาข้างสวิตแล้วก็ออกไปตรงอ่ะเตซ่าทะเลสาบลาลากูมาจิโอเลอ่ะค่ะอาจารย์แล้วก็เป็นวิลานนะคะเป็นเอเขาเรียกอะไรนะหลบลอมบารเดียค่ะภาคตรงนั้นนะคะอืมค่ะอาจารย์อก็ ยมก็ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์คือวันศุกร์ที่ผ่านมายมก็ได้รับสารจากยมมาทูดสาร<ท>จากทูดเทมาทูดค่ะพรอาจารย์เหมือนที่วันอาทิตย์ที่ฟังที่พระอาจารย์พูดเลยที่ตั้งหัวข้อเลยค่ะวันคืออาทิตย์ที่แล้วก็คือที่บ้านค่ะยมก็ไปฮอลิเดียค่ะพระอาจารย์แล้วขากลับวันศุกร์ขับรถมาเราก็ เราก็เลยแบบเราขับรถมาเราก็แบบปฏิบัติถูกต้องอะไรเงี้ยพระอาจารย์แต่แต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาเขาแซงมาค่ะพระอาจารย์แบบอย่างนี้เลยค่ะพระอาจารย์แบบเราวเขาแซงไม่พ้นค่ะพระอาจารย์แล้วอีกอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นปรถบัสของเรามาทางนี้เขาเขาก็แซงมาแล้วเขายัางมายัางไงไม่ทราบเราก็ได้แบบตกใจแล้วก็ชะลอนี่แบบอวิแททีนั้นพอผ่านไปเรารู้เลยค่ะว่าชีวิตเรามันแบบ มันมันมัน ม, มันเกิดขึ้นอะไรก็ได้ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์อย่างตอนแรกยมคิดว่าเออการที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเป็นเป็นโรคนู้นโรคนี้หรือว่าใกล้ตายนี้มันมันยังมีเวลาเหลืออีกตั้งเยอะใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นเหตุการณ์ชนอนเน่าบาดเหตยกค่ะพระอาจารย์ยมยมนึกได้ทันทีก็พูดกบับสามีนะคะว่าอาจารย์ว่าเออชีวิตเราเหมือนเออมันพูดถึงด้านธรรมะเขาบอกเขาก็เลย เขาเลยเก็บข้อธรรมมาตรงนี้มาค่ะพระอาจารย์เมื่อก่อนเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้เข้าถึงไงล่นนะค่ะคือแต่เขาก็ปล่อยให้เราปฏิบัตินะคะแต่เขาก็แบบเรื่อยๆของเขาค่ะพอโยมก็เลยคุยพูดคุยเรื่องว่าเนี่ยเห็นไหมมันแบบเราชีวิตเราเนี่ยมันสั้นนะอะไรเงี้ยเรา mm hmm. แบบเราเขาแบ บ, บว่าอุ้ยครั้งแรกในชีวิตของเขาเลยที่เขาเจอเหตุการณ์แบบนี้โยมบอก mm hmm. ของโยมก็เหมือนกันส่วน mm hmm. ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยแบบเรามีโรคโน้นโรคนี้เราก็ยังมีเวลาเตรียมตัว แต่ถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้เราไม่มีเวลาเตร็มตัวเราก็เลยยอมก็ได้มาคิดคิดได้ค่ะพระอาจารย์ว่าทีว่ที่ผ่านมาเราประมาทมากค่ะพระอาจารย์ซึ่งตอนแรกเราคิดว่าเราไม่ได้ประมาทแต่ที่นี้พอพอ ม, มาเจอเหตุการณ์วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะพระอาจารย์ยอมแบบคือแบบได้อะไรแบบชัดเจนมากขึ้นเลยค่ะพระอาจารย์ได้ในนินยสัจชัดเจนทุกสัจนะใช่ค่ะพระอาจารย์ชัดชัดมากๆเลยค่ะพระอาจารย์ โยมก็เลยแก่แก่เจ็บตายล้วงพ้นไปไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะใช่อ่ะใช่อะพระอาจารย์โยมก็เลยตั้งใจปฏิบัติละนี่ต้องการจะเรียปัญญาจะเรียนนนุสติเยอะๆตอนนี้หายใจเข้าก็หายใจเข้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกไม่หายใจเข้าก็ตายค่ะพระอาจารย์ค่ะเล็กบ่อยๆมันจะได้ไม่ประมาณมันจะให้เข็มตัว เตรีมตัวตายหัดตายกันตายตอนนี้เป็นตายตายตอนตายน่าจะสบายถ<ช>้ามันตายตอนตายนี่มันจะทรมานอือจ่ะพระอาจารย์โยมโยมก็เลยแบบเข้าใจเหมือนที่พระอาจารย์เทศมาหลายครั้งหรือฟังมาหลายครั้งแล้วก็เอ้ยมันเ อ, อ้ยสมมุตินะคะว่าถ้าโยมเป็นมะเร็งหรือโยมเป็นอะไรนี้เ อ, อ้ยโมก็ยังมีเวลาที่จะคิดแต่ถ้าเกิดมันมใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ ใช่ค่ะคือแบบมันมันอะไรก็ออาไปไม่ได้เข้าสอบมาแบบไม่ได้บอกล่วงหน้าก่อนี้ใช่ค่ะถ้าอาจารย์แบบแบบคือแบบมองหน้ากันแล้วแบบวุ้แล้วก็พอขับไปแล้วก็พอมาถึงบ้านแล้วก็มาคุยกันก็เลยต่างคนต่างแบบเออคือแบบแต่มากขึ้นแต่เขาเนี่ยเขาเข้ใจใค่ะอาาเห็นน้กดีจังเห็นนี้จังเห็นนักหน้างค่ะพระอาจารย์เดี๋ก็เดียอันนี้มันชัดชัดมากๆเลยค่ะพระอาจารย์ ก็โชคดีที่เราได้ปฏิบัติทำมาบ้างมันถึงมันไม่ได้ทําให้ใจเรา f a อ l นะตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ซึมเศร้าเลยค่ะพระอาจารย์เพียงกับว่าพอเกิดเหตุการณ์พอผ่านไปปั๊บขึ้นประยมนึกขึ้นมาเลยครับว่าวุ้คือนี้นี่นี่นี่คือเหตุการณ์ที่แบบนี่ อ, อนิจจังจริงๆคือแบบว่ามันมันตกัปรับมากๆากเลยค่ะคือแบบคือมันไม่ได้เศร้ามันไม่ได้กลัวนะพระอาจารย์แต่มันจะตกใจบ้างก็คือแบบ ก็คือชอบพอเฮ้ยเขาแบบคือเขาก็เร็วดี๋ยวเราก็ชะลอแต่เหอก็สามีของโยมเบรกนะคะก็คือไปเลยค่ะคือเพราะต่างคนต่างฝ่ายมาเร็วแล้วทางคุณก็อย่างนี้เลยค่ะคือแบบเขาแบบเหลือแค่ช่องนี้เดียวเขาก็ปาดหน้ารถบัสอีกฟางหนึ่งไปเลยค่ะก็เลยบอกโอ้โหคือแบบแล้วก็แบบพอพ้นไปขับชะลอแล้วก็บอกว่าอุ้ยแล้วก็ชะลอก็คุยกันก็แบบเออพอกลับบ้านมาก็ยังคงพูดถึงเหตุการณ์แบบนี้แล้วยมก็เลย พยายามสอดแทรกที่อาจารย์ฟังมากับอธิบายเขาฟังว่ามันเป็นอย่างนี้เขาเขาเข้าใจมากขึ้นเลยค่ะอาจารย์ปะเนี่ยโลกที่เราเป็นอยู่อะไรเงี้ยอันนี้จะถือว่าจิ๊บจ้อยเลยนะเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือเหตุการณ์มันมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆค่ะอาจารย์ที่เป็นอาจารย์คือมาสารใจเขาไม่ลืมไปชะมันตายนะเหตุการณ์นี้ไม่ลืมค่ะอาจารย์ภาพยังยังยังอยู่ในยังอยู่ยังเห็นอยู่เลยค่ะอาจารย์ยังมองเห็นอยู่เลยเห็นว่ารถ เหตุการณ์มตรงแปลกเป็นยังไงยิ่งเห็นเห็นอยู่ติดทึกวันนี้เลยค่ะพระอาจารย์มันจะได้ทำให้เราตรงได้แล้วนะต่อไปนี้ค่ะพระอาจารย์ยมก็จะนําตรงนี้มาให้เจริญมรรณานุสสติเหมือนที่พระอาจารย์บอกค่ะพระอาจารย์พยายามมากขึ้นแ่่เห็นรู้สึกโยมมาทูดนี่แบบไม่ให้ตั้งตัวหลายรอบเลยพระอาจารย์สองรอบแล้ว ครั้งหนึ่ก็ร่างกายเจ็บป่วยตอนฉีดวัคซีนพอครันี้ก็มาเป็นเหมือนจะอุบัติเหตุก็เลยอืมเราต้องมากขึ้นกว่านี้แล้วนะไม่ไม่ประมาทอันนั้นยังแบบเออแต่อันนี้แบบแบบเริ่มสร้างธรรมะขึ้นมาแล้วเรียปฏิบัติธรรมจะได้มีธรรมะคุ้มครองใจได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบคุณพระอาจารย์มากค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะอ ใคที่คุณพันิสาตามคุณิาอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมใช่คะ่ะพระอาจารย์อ๋อคุณไทยนะคนี่ไม่ได้ใส่เส <c oughs> ื้อขาวเลยคราวนี้ไม่ใช่วไปบาลีมาคะ่ะพระอาจารย์อยู่บาลีคะ่ะวันนี้ตอนน้วอยู่บาหลียลงไงค่ะเที่ยวหรือเที่ย่ะพระอาจารยเ์เหมือนพัทยาไม่บาลี <c oughs> เหมือนเมืองไทยเลยค่ะพระอาจารย์เมือไทย เขาไปไปอยู่ที่ชายทะเลไม่ใช่บ้านีหก็เขาพาไปเที่ยวไปกระทัวค่ะพระอาจารย์ไม่ได้พาไปเท่เขาไม่ได้พาไปชายทะเลนะชายหาดบานไหก็ไปก็มืดแล้วอะพระอาจารย์นะมองไม่เห็นค่ะใช่ค่ะก็ที่นี้ก็ร้อนอยู่กี่วันนะสามวันสี่วันเนี่ยค่ะพระอาจารย์่ะลูกน้องมากระทัวมปเพื่อนค่ะ ไปพักผ่อนหอนใจบ้างเชรียดจากการไม่ได้อยาพนะมาคะาา่ะว่อจ๋าแต่บอกเขาบอกว่าตั๋วที่เราได้เนี่ยมันขายไม่ได้หนูก็เลยจําเป็นต้องมาแต่แฟนก็ไม่ได้มาก็เลยให้ลูกน้องตามมาด้วยคนไหนึ่งก็พาเขามาเที่ยวอ่ะค่ะพ่าจาอจ๋า<ต>กล้ว<อ>ลูกมากทําบุญเนี่ยหรอลูกหัวแม่ไปทําบุญไม่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะว่าจ๋าไปที่ร้อยเอ็ดค่ะก็บอกว่าลูกไปพ่าป่าของหลวงตาที แ ม, ม่ไม่ได้ไปก็สอนให้เขาทําบุญก็ยังโชคดีที่เข้าไปหาอาจารย์ก็กดีเข้าสานไปให้ก็ดีค่ะแต่เขาก็เต็มใจนะอาจารย์เพว่าไปอบอกว่าให้ไปแต่วันหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวสายรถมันเยอะแล้วไม่มีที่จอดเขาก็ไปแล้วก็คุณแก้วเขาก็ช่วยแนะนําก็เขาก็บอกว่าหลวงตาให้ผ่านทางสององค์ <laughs> แต่เขาบอก ค่ะแล้วก็วันนี้ที่มากับคณะก็เมื่อกี้เพนะิ่งผานมาเมื่อกืนค่ะก็ะว่าเออปกติก็ะจะมีการดื่มกันตอนมื้อเย็นอย่างเนี้ยค่ะที่ผ่านมาก็ยังก็บอกว่าถ้าเราไม่ดื่มมันก็ได้นะก็เถียงกันอยู่ในใจตัวเองอนะคะพระอาจารย์ถ้าเราไม่ดื่มก็ได้นะเขาไม่ได้เอากรอบปากให้เราดื่มเราแค่ไม่ยกมันดื่มเราก็ดื่มน้ําเปล่าหรือว่าดื่มน้ําผลไม้ก็ได้ หนูชนะพระาจารย์หนูไม่ได้ดึกกา้ที่ชนะนี่ต้องอาศัยต้องอาศัยได้ปกติหนูจะต้องเลยเถิดไปแล้วต้องต้องตามตามกุ๊ปตามอะไรตามเพื่อนไปล้แต่งวดนี้ชนะค่ะพาจารย์ดีใจมากเลยหนูเถียงกัมันตั้งแต่อยู่บนรถทัวร์ คิเที่ยงงั่นเหมือนมีสองคนอยู่ในร่างกายคระบอาจารย์เมันก็แบบว่าก็เลยมันหนีกับคนทานไงอยู่ในใจเราเนี่ยแตว่าจะรเพราะว่าเป็นมื้อเย็นมื้อที่แบบมื้อใหญ่ของพวกเราคณะทั่วก็ว่าเขาก็จะมีการเดิอดใครอยากดื่มก็เดิอดแล้วเราก็เป็นเจ้าใหญ่ที่ขายไฟฟ้าใช่ไหมคะเราก็มันก็จะมีคนมาแบบอ้าวหน้าอ้าวน้าเมื่อก่อนเราดื่มไงคะอาจารย์เมื่อก่อนเราก็ดื่มเราเป็นแบบคนนั้นนเพื่อนที่อยู่ทางใต้เขบอกว่า ทำไมเปลี่ยนไปทาอย่างงู้นอย่างนี้ได้ยังไงไม่ได้นะต้องเดือบเราบอกว่าโอ้อยัางอย่างอย่างเราจะบอกว่าอย่างอย่งอย่างแล้วกันเพราะว่าอะไรกันโดนเขาว่ากันใหญ่เลยยมก็มันก็มันก็ได้แล้วก็เขาว่าเดี๋ยวก็ผ่านไปยมชอาจารย์แล้วก็ภูมิใจนะรักษาศีลหน้านี่มันมีความภูมิใจนะใช่ค่ะปกติจะต้องพลาดแล้วปกติข้อนี้ต้องร่วงแล้ววันนี้แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็พอดีเขาก็ พามาที่โรงแรมเร็วก็เลยได้เข้าพระอาจารย์เข้าสู่วัดไปที่บาลีไปที่บาลีที่เดียวด้วยมีไปร้ายที่ก็พรุ่งนี้ก็ไปวดัดไปแต่วัดอะคะ่ะแต่ไม่มีที่ทําบุญก็เป็น<ม>วัดฮินดูพราาอะอาจารย์ไปเมืองไปเมืองเดียวนี่ไปที่บาลีแห่เดียวนี่มั้ยใช่ค่ะมันมก็เป็นเกาะเลยนะคะ<ม>หนูก็ไม่เคยมาหนูมาครั้งแรก<ม>ครั้งแรกโอ้แต่เข้ายากคราาับพระอาจารย์ เครื่องเครืตั้งแต่ตีเอ้ยหกโมงหกโมงกว่ามาถึงกว่าจะเข้าเท่ากับบินหอีกรอบอยังพระอาจารย์เกือบเย็นนะคะอเข้ายากอะไรก็ไม่รู้ต้องกอกอันนึงเกอกอันนี้ก็ยากยากพระอาจารย์ไม่เรียกลับไปไหนจริงแต่ต้องบิ น, บ, นบินต้องจากกรุงเทพไปมาีเลเซียไม่ว่าต้องไปวะใ่ค่ะบินแอเอเชีย ค, ค่ะพระอาจารย์แอเอเชียก็บินตรงมากี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมง ค่ะสี่ชั่วโมงใช่ค่ะแต่มันมาเข้าตอมอที่ด่านตรวจนะคะโอ้ยก่อโควิดกต อ, อ, ตอเยอะเลยพ่อจันนานมากมากแล้วก็เขาทำงานช้ามากยืนจนขาแข็งเลยว่อจัไม่ผ่านนะทีไม่ได้ไม่ได้อะไรนะเขาปล่อยคนช้าก็เลยว่าโอ้ยไ ม, ไม่ไหวละครั้งเดียวนะคะพ่จรย์ ให้รู้ให้เห็นก็พอเราไม่อยากมาค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะมันบอกพ่อจารว่าวันนี้หนูชนะค่ะชนะไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังมีอีกนะเดี๋ยวมือหน้ายังมีีกนะใช่ค่ะหนูว่าน่าจะผ่านเพราวันนี้มันวันนี้มันก็ผ่านพระอาจารย์หนูพี่ว่าผ่านอยู่ที่เราน่ะวันไหนเข้ามาบังคับเราไม่ได้ถ้าเราไม่เดินตรงใช่ค่ะ ขนาอิสลามก็ยังเขายังไม่กินหมูได้นะใช่ไหมเราเป็นพุทธเราก็ไม่ดื่มเหล้าได้เพราะาพะอาจารย์ก็เอาขั้นตอนของพระอาจารย์มาค่ะก็มันก็ระยบเราลงไปนะคะรู้สึกว่าเออพอถึงร้านอาหารจริงแล้วหนูก็นั่งคงกันมาแต่ว่าแต่ก็ชนะตั้งแต่ตั้งแต่นั่งลงไปเขาบอกว่าไม่ดื่มก็ไม่ดื่มพระอาจารย์ดีใจมากเลยค่ะ ขอชนาไปเรื่อยๆนะอาจารขอบคุณมากค่ะโอเคต่อจอยต่อดอยพัเทยาเขาค่ะวันนี้ขายของบ้าง่ายค่ะเมื่อวานไปทำธุระกับน้องมาวันจะขายวันนี้ก็ขายก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมค่ะก็คือลบกับเขาทำตามรบอยู่ค่ะ ไม่ยอมยกทังขาละทียกตรงขามันก็จบนะหนูก็หนูก็คิดว่าจะยอมแต่พอเวลามันพูดอะไรมันถุนขึ้นทุก ท, ทีเลยอ่ะมันชอบพ<อ> <ยม S 2> ูดอะไรที่เรายอมก็เดี๋ยวเขาว่ายอมเราเองนะหนูจะทำตางที่ผัดชางสอนเดี๋ยวทิ <Okay. S 1> ์หน้าไปใส่บาตรโอเคฮะเพิ่งม okay. าเลยกลับอยากทำงานแล้วเลย ชาวหลวงพ่อค่ะกลับมาแล้วค่ะตันนี้หนูก็ไม่ไม่มีอะไรค่ะก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะหลวงพ่ อ, อแล้วก็นอนนอนสีประมาณสี่ทุ่มแล้วก็ตื่นตีสามอะไรเงี้ยค่ ะ, ะก็ปฏิบัติไปถึงที่ทำงานบใส่บาทถวายทานเสร็จก็ปฏิบัติบนอยู่อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดท่านทีย่ยะมากได้ค่ะหลวงพ่อหนู จะตั้งใจให้เต็มที่อะค่ะถ้ามีเวลาก็ะจะเก็บให้ได้เยอะๆหลวง่อเหมือ น, น, นพายเรือข้ามฟากแล้วขยันภายภายไปเรืเ่อยๆแล้วก็ถึงฝั่เองค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อคแล้วมันมันจะถือว่าทําไม่ถูกหรือเปล่าคะคือพอทุกครั้งช่วงตั้งแต่ อ, อไปเขากลับมาตั้งแต่เขาเขาเขาวโน้นนะคะแล้วก็มาเขาที่ไปหาหลวงพ่อแล้วก็คือ ทุกครั้งอะเวลาเรานั่งแล้วมันพอมันรวมมันสงบแอะเราจะรู้สึกเหมือนแบบเราดีใจเราตื่นเต้นแต่พอมันณตอนเนี้ยมันเฉยเฉยไปแล้วอะค่ะหลวงพ่อก็ใหม่ๆมันก็ตื่นเต้นเพรมันเคยชินแล้วมันก็เฉยเฉยไม่เป็นไรไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่าผิดอะไรใช่ไหมคะก็ขอให้มันสงบเหมือนกันเร่ากันค่ะมันสงบด่ีเย็นสบายนะใช่ได้จิตมันก็อย่างนี้เวลามันได้ของใาม่ใหม่มามันก็ตื่นเต้นดีใจ ถ้ามันได้ได้เบกว่านเข้ามันทีแล้วมันก็จะเฉยเฉยค่ะหลวงพ่อไม่ไม่เสียหายอะไไม่เป็นไรแต่ว่าแต่ว่ามันมีความอยากที่ว่าจะจะปฏิบัติจะนั่งจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันมันตรงมันเป็นแบบเนี้ยค่ะอันนี้เป็นธรรมเป็นเป็นฉันท์าฉันท์ท่าวิริยะเป็นอิธิบาทประมาณว่าได้ผลแล้วที่มันเกิดอิธิบาทสีขึ้นมา คือมีเวลาหน่อยหรือว่าแบบเออวันนี้ดึกไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ค่ะก็คือจะต้องไปนั่งจะต้องปฏิบัติอย่างเงี้ยเพราะมันไม่ได้เป็นกิเลสใช่ไหมคะหลวงพ่อไ่ก็เรีอธิบาตสิฉันท้าวิริยจิตตาวิมังสาฉันท้ก็ยินดีที่จะปฏิบัติวิริยาก็เพียนเพนปฏิบัติจิตตาก็ใจก็จดจ่ออยู่การปฏิบัติวิมังสาจิตก็คิดแต่เรื่องปฏิบัติเนี่ย แค่ น, นีนะ้ถ้ามีที่บาดซีแนละ้วที่นี่มันก็เหมือนกับมันมีมันเหมือนก็มีมีอะไรผักดันใจไปเองที่เราไม่ต้องไปบกข้ามมันมาก่อนเนะมื่อก่อนนี่นะคอยดึงค่อยลากคอยทิ้งกับมันนะก็จะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะไว้ก่อ น, อ, นอะไรอย่างนะะี้ค่ะยันนี้มันไม่มีอย่างนั้นค่ะยันี้ไม่มีแต่จะบ้างอะไรเอาเอาเอามื่อ น, นั้นเลยใช่ใช่ค้ะแล้วเรียกว่าเกิดอิที่บาทซีขึ้นมานะค่ะแล้วมันก็มี มันก็ไม่เลือกสถานที่ด้วยนะคะหลวงพ่อเวลาใช่อยู่ที่ไหนว่างเมื่อไหร่ก็เอาเลยค่ะบางทีอย่างบางทีเรานั่งเฉยๆเราไม่ได้นั่งหลับตาอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อยู่ๆมันก็ดึงเข้ามาคือคนก็ไม่รู้ว่าเราเรากำลังนั่งปฏิบัติอยู่อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อใช่มันก็จะเป็นแบบเนี้ยแบบนี้ใช่ไหมคะหลวงพ่อใช่ใช่ย่ังมีอธิบาทสีแล้วมันไม่ต้องไม่ต้อง ไม่ต้องถลักไม่ต้องดันนะที่มันมันดันเราแะทีนี้ค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วบางทีมันเหมือนตรงคือเมื่อก่อนนะที่หนูภาวนาพุทโธอ่ะไม่ว่าจะเดินไปไหนมันก็จะมีพุทโธพุทโธในใจตลอดแต่ตอนเนี้ยมันมันกลายเป็นว่าเราจะรู้แต่ว่าลมหายใจเรามันจะอยู่ตลอดอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันจะเป็นเหมือนเครื่องมันติดอยู่ตลอดอย่างเงี้ยมันได้ไม่ต้องพุทโธก็ได้ถ้านไม่มี คอยดูอยู่ตลอดเวลาค่ะยกเว้นเวลาถ้าเราไปคิดเรื่องตัวเลขอะไรเงี้ยมันก็จะไปต้องไปทํางานแต่พอพอเราไม่ได้คิดอะไรมากหมายมันจะมันจะรู้สึกขึ้นมาเฉยๆไม่ไม่คิดอะไรค่ะค่ะหลวง่อไปค่ะก็ปฏิบัติแบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไ้มคะหลวงพ่อถ้าอยากจะลองคิดพิจารณาทางปัญญามากก็ได้ปัญญาเกิดแก่เจ็บตายอย่างเมื่อกี้เคุณพันิศาลาลฟังนะ S <S เอาเรื่องนี้ก็ได้ยินของ บ, บันที่สามมาเยอะองปันอธิกเอามากลับตัวเราว่าถ้ามันเกิดขึ้นกับ เ, เราเราจะทำยังไงพอไม่ยังใช่เอาเอาเทวทูตสี่เข้ามา <S <S ให้มันอยู่ในใจเราตลอดเวลาว่าแก่เจ็บตายนี่มันหนีไม่พน้นเกิดขึ้นได้ทุกเวลานาที ก็คือให้พิจารณาถึงความความจริงใช่ไหมคะหลอความจริงความตายเนี่ยหลวงพ่อเราอจะไปคิดว่าโอ๊ยเราเราแก่แล้วถึงจะตายมันไม่น่าหรอกเร้เจ็บมันต้องตายมันเีนี้ไม่เจ็บมันไม่แก่มันตายซก่อนมันกิดุบัติเหตุเรื่องหัวใจวายขึ้นมาหลวงพ่อเราพร้อมนี่ยังต้องถามตัวเองถามคำถามนี้พร้อมตายนี่ยังตายก่อนตายน้่นนี่ยัง เขาใจเข้าใจแล้วค่ะหลวงพ่อถ้าตายก่นตายได้เลยว่าทิ้องทุกอย่างได้หมดนะไปบวนได้หนูพ่อหนูอะหนูเห็นเห็นคนที่เขาไปอะใจมันก็นึกว่าเมื่อไหร่เราถึงจะได้ทิ้ง เ, เร ไ, เได้ไปยังไ ม, ยงไม่ยังไม่ตายก่อนตายตายก่อนตายทิ้งได้หมดคือมันมันมีความอยากที่จะไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่ว่ามันขาดปัญญาไงมันขาดปัญญาส่งไปค<า>่ะมั น, มน ย, ยังไม่เห็นความตายค่ะยังยังไม่ยังไปไม่ถึงค่ะหลวงพ่อพอาจจะต้องหัดจังเลมานั้นสติบ้างก็ได้ค<า>่ะอคิดถึงความตายเรื่อยเรื่อย เวลาใตายเวลาใครตายก็สมมติว่รารับถ้าเกิดเราเป็นเขาอาจจะเป็นเราก็ได้<ก>ดวันที่หนูไปที่เขาแล้วก็วันเสาร์อะคะ่ะพอดีพี่ที่ทำงานนะคะเขาเสียที่หนูเรียนหนูห่อะคะ่ะแล้วหนูก็มันนึกว่าใจหนูหนูนึกว่าหนูช้าไม่ได้แล้วมันคิดแบบนี้เราจะเป็นเราก็ได้ใช่นนใช่ค่ะจะเป็น เ, นเขาก็ได้ ใช่คะ่ะมันก็เลยเหมือนมีแรงให้ให้เรารีบรีบใช่ค่ะหลวงพ่อเรานึกอ้าวพี่เขาก็ดีดีกันอยู่อย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้แก่อะไรอย่างเงี้ยโอ้มันมันมีความรู้สึกว่ามันมันเหมือนมีอะไรมากระตุกใจเราอะคะ่ะหลวงพ่อว่าเรามันไม่มีอะไรแน่เลยเราถ้าถ้าเรามัวแต่ไม่เก็บไม่เกี่ยวตอนนี้อ่ะมันเรานหนูจะคิดว่าหนูไม่มีโอกาสแล้วอะไรเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็เลยต้องแบบ อุปน hey, ันย um, huh. ิโกพระเจ้าให้อุปนันยิกให้น้อเข้ามากับที่ตัวเราข้าหลวงพ่อการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นของเราก็ได้คือต้องเกิดวันใดวันหนึ่งแน่นอนข้าหลวงพ่อใช่ไหมคะหลวงพ่อก็เลยจะเป็นวันนี้ก็ได้ใช่ใช่เป็นไม่รู้ว่าจะได้ตื่นขึ้นมาหรือเปล่าอะไรอย่างเนี้ยค่ะอาจจะมีระเบิดตูมหรือว่าก็ไม่มีอะไรแน่นอนก็เลยนึกว่าต้อง ต้องทำแล้วแล้วถ้าเกิดตายนาทีนี้เราก็ไม่ได้ทําแล้วเรายังไม่มีอะไรที่เป็นมีอะไรติดตัวไปหรื อ, อยังอะไเนี้ยหนูจะถามคําถามอย่างเงี้ยเรายังไม่มีอะไรที่แบบเหมือนตัวว่าไอติดตัวไปนะเราเราพร้อมที่เราจะไปตรงนั้นไหมถ้าเรายังไม่ได้มีสเสบียงไปอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันก็จะคิดแบบเนี้ยค่ะหลวงพ่อนั่นะี่ตัดเลย น, น, นี่ปล่อยนะ โอเคนะข่าหลวงพ่ อ, อนนการขอบพระคุณหลงพ่อนะคะโอเคคุณบ้านพบ้อยู่ที่ไหนด็อกเตอร์บไมก่นการมสการครับอาจารย์อยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพครับกรุงเทพครัเป็นยังไงครับก็การธรรมสการ์จะสอบถามว่าพอดีว่าวันนี้มี อ่าสิ่งมากระทบอารมณ์ก็คือว่าเจอเจ้านายคร <hi> ับเจ้านายคือเจ้านายเอาแต่ใจเจ้านายแบบจะเอาทุกอย่างให้ได้ดั่งใจนะครับพอที่เราเคยปฏิบัติมาเนี่ยมันก็เอาไม่อยู่ก็เลยจะมาขอคําแนะนําจากพระอาจารย์นะครับเราต้องลดตัวเราเองลดตัวตนเราลงเราต้องถือว่าเราเป็นลูกจ้างก็เป็นลูกน้องเขาเขาเป็นเจ้านายแล้วครับ เขาจะต้องการอะไรครก็ก็เป็นมีสิทธิ์ของเขาเราเป็นลูกจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะไปโกรธเขาไปอะไรเขาเข้าใจไหมครับเราไมาย่ยอมลดละตัวตว น, นเราต้องลดละตัวเราให้เราว่าเป็นเหมือนเป็นแจวเป็นคนรับชใช้เขาครับถ้าเรารับใช้แล้วเราไปคนรับใช้เขออาเขาจะใช้อะไรเราเราก็ต้องยอมยอมเข้าไป เราก็จะสบายใจอืครับแต่ว่ามันอาจจะแบบแม้ว่าจะเป็นแบบนอกเวลา ง, งานหรือว่าแบบจะแบบอย่างนั้นก็ตามใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าเราปฏิเสธได้เราก็ปฏิเสธถ้าห ล, ลกได้เที่ยังได้ก็หลีกไปไม่จําเป็นว่าจะต้องอทำทาตามคำสั่งว่าตลาดเวลาแต่เราเราไปห้ามเขาไม่ได้ง่ายๆเราเป็นนุ๊กเหมือนเขาอยากจะปล่อยอารมณ์ออกมาเขาอยากจะเขี่ยโอกาสเนื้ออะไรก็เป็นเรื่องของเขาไป เราอย่าไปถึงสาเขาถึงเขาเป็นเจ้าได้เราครับครับทีนี้ก็คือพอเรื่องเนี้ยมันก็จะโยงไปสู่สิ่งที่จะถามต่อคือเรื่องของการปฏิบัตินะครับก็คือว่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราใช้การดูจิตแทนเนี่ยหือว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือผมเนี่ยไม่ค่อยได้ดูฐานกายเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าไม่ไม่อาจจะดูยังดูไม่ได้ดีนักแต่ว่าพอถ้าอย่างเงี้ยเราสามารถดูฐานจิตดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตรงเนี้ยอย่างเช่นว่าโดยเฉพาะตอนที่เกิดเหตุการณ์จริงๆเนี่ยเช่นตอนที่ถูกถูกอ่าถูกว่าหรือว่าถูกทําให้โมโหหรือว่ามีอ่าสิ่งมากระทบใจจริงเนี่ยเราสามารถใช้การดูจิตเป็นการปฏิบัติได้หรือไม่ครับมันดูได้แต่มันไ ม, ไม่ไม่เกิดประโยชน์ก็ดูแล้วอยู่จิตไม่ได้เราต้องมาฝึกอยู่จิตให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาดูจิตได้ อะรอยู่จิตไม่ได้ดูไปก็ทําอะไรมันไม่ได้ไว้ก็จะโกรธมันก็จะทำอะไรตามที่มันอยากจะทำํำเราต้องมาฝึกสติก่อนทําให้ได้สมาธิก่อนถ้าเราได้สมาธิเราอยู่จิตได้ทีนี้เราก็ไปดูจิตได้แล้วที่นี้ยังไม่ยังไม่มีสมาธิยังไม่มีสติยังไม่มีอเุเบกขาไปดูจิตก็ทําอะไรมันไม่ได้ okay. เวลามันโกดแล้วก็หยุดนั้นไม่ได้ก็คือต้องต้องกลับไปปฏิบัติตามรูปแบบเหมือนเดิมก็คือต้อ ง, ต, องต้องสร้างสติส้างสร้างสมาธิขึ้นมาให้นายก่อนเราถึงจะไปดูจิตได้ดูกายได้ดูเวทนาได้คือแสดงว่าเราฝึกให้ได้สมาธิก่อนแล้วถึงค่อยไปดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับใช่ใช่ถึงตัง้ง ก็เราไม่มีตอนนี้เราไม่มีเครื่องมือที่จะดูกายกจิตดูเวทนา เ, เราไม่มีสติไม่มีสมาธิดูไปก็ดกูไปก็ทําอะไรไม่ได้เวลากายเวลาเราก็เราก็เราก็เฉยไม่ได้แต่ถ้าเรามีสมาธิเวลามัดูเวลาเราก็เฉยไปมันเป็นเข้าใจมั น, มนอวอามันเป็นอย่างนี้มันเกิดแล้วก็มันดับมันไม่เที่ยง มันเป็นอนัตาตามันมก็คงบังคับมันไม่ได้ถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็เราก็จะมีรักชางโกหลงเกิดขึ้นทันทีเวลาดูมันครับขอบพระคุณครับนะไปฝึกสติไปนั่งสมาธิให้ได้ก่อนแล้วก็ไปดูกายวิทนาจิงที่เพียงครับท่านยานะอาบการรักษการครับ โอเคเดี๋ยวกลับไปที่หน้าสองกันคนวันเดอรนวัลร์แมนนะคุณอะไรนะวอลร์แมนอาตาภัยนะนามวงนะครับพูดได้เลยครับกลับนักวิชการพระอาจารย์ครับชื่อวอลร์แมนนามวงครับอยู่จังวัดเชียงใหม่ครับพระอาจารย์ครับ นำมวงเียนามจากคุณดาราได้ไม่รับนตรลามักจะถูกทักอยู่อย่างนี้บ่อยๆแต่ไม่ได้เป็นญาติอะไรกันครับอาจารย์ครับครับมากับขอเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ครับแล้วก็มีคำถามที่จะขอพระอาจารย์ช่วยช่วยแนะนำครับคือครับอย่างเวลาที่อ่ที่คนในครอบครัวครับหรือคนใกล้ตัวเราถ้าเกิดอ่า บ่อยครั้งที่เขาจะพูดอะไรให้เราเสียใจอย่างเงี้ยครับอย่างอย่างคนในครอบครัวก็จะรู้จักกับเรารู้จักเรามากมากกว่าคนอื่นครับแล้วก็เขาก็จะเห็นว่าเอ่อถ้าถ้าเกิดเขาพูดอะไรที่ที่เป็นแบบแบบนั้นแล้วเราจะไม่ชอบเงี้ยครับมันก็ทําให้กระทบจิตใจก็เลยอยากจะขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ว่า เ, เราควรจะวางใจยังไงเงี้ยครับ ก็เราต้องก็ต้องรู้ว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะพูดเขาจะทําอะไรมันปเป็นเรื่องของเขาสิ่งที่เราห้ามได้ก็คือใจเราใจเราก็อยากไปมีปฏิกิริยากับการกระทําหันกับการพูดของเขาแค่นั้นเองเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราไปจัดการไม่ได้ไปห้ามบอกไม่ได้เขาอยากจะดีก็ดีเขาอยากจะร้ายก็ร้าย ใช่แล้วเราก็จะอยากไปทุกข์กับเขาปล่อยเขาทําไปที่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้เขาทำเราไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นแม่เขาทาอย่างนี้แต่เราต้องเข้าใจว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้แต่เราสั่งใจเราได้ห้ามใจเราได้ว่าเราอยากไปทุกข์กับเขาเขาจะพูดอะไรก็จะทําอะไรก็เลื่าแต่เขาเราเฉยๆให้ไปเรืนั้นี้ทําได้ไหม จะพยายามครับเพราะว่าอย่างอย่างที่ทํางานเนี้ยครับก็ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหรอ่อย่างอย่างพอดีทํางานเป็นเป็นอาจารย์ครับอย่างลูกศิษย์เน<ม>ี้ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอมามากับคนคนใกล้ตัวเนี้ยครับค น, นใกล้ตัวเราเราผูกความหวังไว้กับเขามากนี่ยเขาคนอื่นนะไม่ค่อยผูกความหวังด้วยมันก็เลยไม่มีปัญหารเราก็ต้องเราก็ต้องมีการ เ้าก็ต้องให้มีการเหมือนกันหัวว่าไ ม, ไม่ว่าจะเป็นใครเราอย่าไปว่าอย่าไปผูกความหวังไว้กับขเขาถือว่าเป็นคนแปลกหน้าไปแล้วเราก็จะไม่ค่อ ย, ยนอนได้ครับพระอาจารย์ครับแล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับข้อการปฏิบัติอยู่ข้อหนึ่งครับพระอาจารย์ครับคือว่าอย่างเวลาเรานั่งสมาธิไปแล้วครับมันจะไปถึงกาแพงตรงจุดหนึ่งที่เราจะไปเจอเจอวทนา ตรงนั้นทุกครั้งอย่างเงี้ยครับเพระาระฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มสติเพิ่มกำลังสติแล้วด้วยการบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่านั่งเฉยเฉยอย่านั่งดูลมดูลมอาจจะไม่มีกำลังพ อ, อพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆครับแล้วก็การทำใจว่า เ, เมื่อไปถึงตรงตรงนั้นแล้วอย่างเงี้ยครับยังไงซะมันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็เรามีหน้าที่แค่ แค่กลับมาที่พูโทโธแล้วก็ให้รู้เฉยเฉยับอย่าไปอยากให้มันหายอย่าไปอยากหนีอากมันไปความอยากนี้จะทําให้เราทรมานใจเครียดถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะอยู่กับมันได้ครับมันจะหายหรือไม่หายก็ไม่เป็นไรเป็นหน้าที่ของมันใช่ไหมแต่ให้ใจเราหาเครียดก็แล้วกันเครียดจากความอยากอยากให้มันหายหรืออยากจะหนีอยากมันไปอย่าให้มันเกิดขึ้น ด้วยการใช้สติตมุทโธมุทโ ธ, ธ, ธ, ธหยุดหยุดมันหยุดใจไม่ได้ไปหยุดเวทนาต้องทำดูนะครับกอบคุณคับคุณพระอจา์ครับโ okay. อเคครับคุณบอ น, บนอยู่พัทยาค ร, รับกบมสกกาะอาจารย์ค่ะอยู่พัทยานะอาจารย์คุณเข้ามาข้างหน้ไ่มเข้ามาบ่อยนะคะ ตลอดจะไม่ได้บอกพัทยาอะไรนะฮะมันไม่ได้เขียนพัทยาะเขียนพัทยาลงโดยหน้าที่การงานก็ลงใต้ก็เขียนพัทยาปัตตานีบ้างเขียนพัทยากรุงเทพบ้างก็แล้วแต่ว่าอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ไหนอก็ได้เขียนต่อท้ายพัทยาว่าะอยู่จังหวัดนี้นะเคลื่อนตลอดบ้านบ้านเราอยู่ที่อยู่พัทยาเลยใช่ครับก็เข้าเมย มาส่งการบ้านครับก็มีโอกาสเข้ามาสักสี่ครั้งนะครับทีนี้ก็ครั้งนี้ก็เลยจะเป็นการส่งค ร, รบ้านครั้งแกก็คือผมเจอทางปฏิบัติตัวเองหน่อยหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ฟังพระอาจารย์ทีนี้ ในส่วนของปฏิบัติเนะี่ยผมผมเข้าทางพระพุทธศาสนามาร่วมจะสองเดือนนะในเดือนแรกเหมือนผมศึกษาทางทฤษฎีหนังสือไตเย์เนี่ยแต่พอได้ฟังพระอาจารย์ก็เริ่มปฏิบัติเจริญสติมากขึ้นก็ก็ไม่มีตอนนี้รู้สึกว่าเราไม่มีคําถามอะไรแล้วก็แค่ส่งกันบ้างพระอาจารย์ว่าเราเจริญสติอยู่ส่วนปริยัติทั้งหลายที่อ่านตำรับตำลาก็ อ่านเท่าที่ตามแต่โอกาสให้วิเวกเราก็วิเวกไปอ่านเพราะว่ามันอ่านไม่ได้ตลอดเวลาแล้วก็พักมาเดินจนกงกรมนักสมาธิตอนนี้ก็ดำเนินตามนี้อยูค่ครับออตอนนี้พยายาไม่เน้นกับการปฏิบัติให้มากสห็นที่เรียนมาแล้วนี้ยังไม่มีประโยชน์มันจะมีประโยชน์ตอเมื่อเราอยู่ขั้นระดับปัญญาเห็นตอนนี้เอาแค่เอาแค่สติเอาแค่สมาธิให้ได้ก่อน เข้าใจนะเข้าใจครับโ okay. อเคเดินไปที่ท่านต่อไปคุณหมอสุทัศนีนิรมัตสการท่านอาจา ร, รย์เจ้าค่ะไม่มีคําถามค่ะโอเคคุณหมอไม่รับผ่านค่ะพสุโลกการนิรมัตสการอาจารย์ครับอันนี้ไม่มีคําถา ม, okay. มเมาข้ามากราบอาจารย์เสรครับโอเคเจอกันมันมันอาทิตย์จะไม่ไม่เปลี่ยนแล้นะ ไม่เป okay. okay. ล hmm. ี่ยนค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคเจอกันค่ะพระอาจารย์คุณปุ้ยหายหน้าไปหลายอาทิตย์อันนี้ทำอะไรอยู่ามนสกค่ะพระอาจารย์คุณปุ้ยลักเซมเบิร์กค่ะอทำอะไรอยู่ทำงานอยู่แล้ววันนี้เกเรค่ะพระอาจารย์ทำอะไร่ะบอกมาค่ะก็อยากจะมานั่งสวดมนต์ไหว้พระอะไรอย่างหนึ่งคือ เราเห็นว่าถ้าสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรามีแต่ปัญหามีแต่เรื่องโง่หูคือเราไม่ชอบเราก็เลยอ้าวเก่งมั้งเว้เออขอขามาค่ะธรรมอาจารย์เพราะว่าเอ อ, อยากจะสะสมบุญและพอดีช่วงนี้คือคุณปุ้ยรู้สึกร่างกายมันอ่อนเพรียมันนอนแล้วมันไม่ค่อยอยากจะตื่นน่ะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันหลับยาวแล้วแบ หรือจะเป็นโลกขี้เกียจเก็ไม่มีสาย ม, ม, มันแก่ขึ้น<ๆ>อะไรคนอายุมากข้นท่าฝันมากขึ้นใช่ใช่แล้วเนยแต่ว่าถึงเราจะตื่นสายแต่เราก็สวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิค่ะถ้าที่หน้าที่สำคัญไปก็แล้วกันใช่ <ś les> เพราะว่ามันมันจะเหมือนกับว่ามีอะไรจดจำอยู่ในหัวสมองแล้วว่าเฮ้ยเราจะต้องสวดมนต์นะถึงเราจะสายแต่เราก็ต้องทบเวลาเรา อย่างเงี้ยค่ะแล้วเออ่ยมยมก็อยากจะเกเอ้ด้วยเพราะยมอยากจะฟังพระอาจารย์ยมยมไม่ได้งยมฟังพระอาจารย์มาทุกอาทิตย์นะแต่ว่ายมไม่เปิดกล้องเพราะว่าแอบฟังใช่ถ้าไม่มีมอเพรจะก็ไม่ต้องเปิดกล้องจะได้ไม่เสียเวลาคนอนะคนื่นใช่ค่ะเหมนใช่เพราะว่าไม่มีคําถามนะ่ะเพราะว่าวิทย์วิทย์ขอพรอย่างนี้ไหม จริงๆแล้วไม่กล้าขอและวตัวพระอาจารย์ว่ต้องทําเองพรต้องทาเองต้องสร้างขึ้นเองเองพระเพียงแต่บอกทางแต่เราต้องทําเองทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นวิธีที่ไปได้พรนันเกษตรแต่มาขอพลังพระอาจารย์อ่ะไม่ขอพรอ่ะจะมาขอพลังอขอให้ร่ำให้รวยสุขใจเจริญ สวยไม่สัางบ้านไม่รูนเลยนี่ได้พลังไหมยังขอพลังเพราะว่าคุณปุ้ยใหญ่จะมีพลังในการสร้างบุญสร้างบา ร, รมีค่ะนั่นแหละก็ขอให้มีพลังขอให้มีกำลังที่จะทำแต่สิ่งที่ดีที่งามไปตลอดนะ้าสาธุค่ะ <Okay. S 2> ขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพธาตุขันแข็งแรงสมบูรณ์นะคะยาสาธุคุณแอฟต์ค่ะแอฟ อยู่ที่ไหนก็นะครอยู่เชียงใหม่ครับพระอาจารย์เข้ามากราบมรงการเชยครับไม่มีคําถามครับไม่มีนะโอเคงั้นไปที่คุณดีต่อศิระช้าลุกเข้ามากรานมัดการด้านแดงด้วยความเคารพเจ้าค่ะแล้วก็มาฟังสอนพระธรรมจากพี่พี่อนเพื่อนจิตใจดีด้วยไหมสภาพจิตใจดีเจ้าค่ะแล้วก็เมื่อสองวันที่แล้วเอาน้องน้องอ เมื่อวานน้องสะัยนะคะจริงๆแกเป็นคนแข็งแรงมากค่ะอาจารย์แล้วอยู่ๆก็เหมือนอหัวใจเขาเต้นเต้นผิดจังหวะเหมือนจะเหมือนจะไปแต่พอดีน้องชายอยู่บ้านก็เลยพาเข้าโรงพยาบาลกลางคืนแล้วอยู่ ICU. ไอซก็อยู่ได้คืนหนึ่งออกมาก็ปกติเขาก็กุ้มใจมากเขาบอกเนี่ยเขาเข้าใจเลยว่าเวลาเจ็บป่วย โดยที่ไม่ได้ตั้งตัวเป็นยังไงคะลูกลุกก็เลยบอกว่าอย่าไปคิดหนะ้าแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็หันเข้ามาเอาธรรมะมาเป็นที่พึ่งได้ก็น่าจะดีมากนะคะคือคือคือก็บอกเราว่าเราต้องค่อยๆเหมือนกับ <laughs> อย่างที่อาจาจรย์สอนนะคะค่นะคะ่น ะ, คะลูกก็แนะนำเข้าไปะคะ่ะด้วยด้วย ประสบการณ์เล็กๆที่เคยมีค่ะดีอา่ารย์เ้าไว้ได้คือเราเ ป, ปประสบการณ์นะแล้วก็เชื่อเราได้เขาว่าจะได้ได้เผื่อขันได้เป็ตัวคุยค่ะแต่อาจจะยังแพนิคอยู่มัมม้งคะอาจารย์เพราเมื่อสองคืนเขาก็กลัวเพราะว่าลูกก็ยังเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะธรรมะเป็นที่ยึดเหนี่ยวของลูกคะะ่ะอาจารย์อนี่ไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวชิดใจได้ไดนะตอนอกจากธรรมะใช่จ้ะค่ะ คเกับพระอาจารย์นช่ไหมคะคุณสภตาอย่างไงตอนนี้มีอะไรเย็ดเหนียวบ้างน้องประการพระอาจารย์เจ้าค่ะก็ปฏิบัติตลอดเจ้าค่ะเรื่อยๆเจ้าค่ะเหมือนกับคุณสลินทร์เลยเจ้าค่ะโดนกิเลสเวลาเสาร์อาทิตย์นี่ดูหนังบอกดูหนังจนแบบ จนแบบว่ามันของร้อนจริงๆนะเจ้าคะพอเวลาดูเสร็จนี่มันตามมาตลอดเลยเจ้าค่ะเป็นอาทิตย์คเค่ะอา<ม>คิดว่าถือสินแปกไหมอะถือหนักว่าดูหนังไม่ได้อ๋อลูกถือเออคือก็ ไม่ไม่ถึงสินแปดเจ้าคะ่ะเพราะว่านี่องต้องนอนที่ <laughs> น, อนอนกับสามีแ <laughs> <laughs> ต่ว่าจันถึงสูกลูกจะค่อนข้างบอกว่าเต็มที่คือแค่นอนกับสามีบนเตียงด้วยกันเจ้าคะ่ะ <laughs> แต่ว่าเสาร์อาทิตย์นี่คือเป็นวันของครอบครัวก็เลยไม่ได้ถือสินสินแบบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ่ะ <laughs> แต่ก็ก็วันวันเสาร์อาทิตย์จะกินข้าวแล้วก็ดูหนังกับครอบครัวเจ้าค่ะก็ก็หลุดตลอดใช่ไก็ก็หลุดนี่แหละค่ะเจ้าค่ะเสาร์อาทิตย์ เลยเลยแบบก็เลยถือว่าถ้าสมมุติว่ามีใครให้ช่วยทํางานอะไรก็เลยถือว่าเออก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราทําสาวทิตย์แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปดูหนังแล้วคะ่ะบางแพ้กิเลศเหมือนคุณสุริธรนะเจ้าคะ่ะยังแบบติดหนสารทิตย์ <c oughs> แล้วมันก็มาตามมันธรรมดาเนี่ยแล้วเจ้าคะ่ะแย่จังเลยต้องอนุโมทนาบุญกับคุณมาลีด้วยเจ้าคะ่ะต้องบบแบบก้าวหน้าจริงๆลูกยังตั้งนานแล้วลูกยังไม่ได้แบบ สงบเหมือนคุณมารีเลยเจ้าค่ะเพราะจะมีคุณมารีเป็นกำลังใจแล้วค่ะพยายามนึกถึงให้ตื่นแต่เช้าแล้วก็พยายามเจ้าค่ะก็นั่งพยายามบังคับตัวเรานะคนอื่นบังคับพวกเราไม่ได้ต้องบังคับตัวเราเองเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกจะพยายามเพียรและขยันมากขึ้นเจ้าค่ะเจ้าค่ะอยให้คนอื่นก็ชดล่าเราไปเจ้าค่ะเจ้าค่ะจะพยายาม จะพยายามเจ้าค่ะกิเลสไปมาทุกรูปแบบจริงๆเจ้าค่ะนี่มีอะไรไม่ไม่มีไม่มีเจ้าค่ะมีแต่ว่าจะพยายามนึกถึงความเพียรไปเรื่อยๆเจ้าค่ะจะพยายามพยายามเจ้าค่ะค่ะทูตเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะขันชยานิสต์ขันนิสต์กอมการธรรมมสการเจ้าค่ะอาจารย์อ่าไปยังไงวันนี้มีอะไรไหม ไหนว่าไหนจมน้ำมันเจ้าค่ะจ ม, ะ จ, มจมน้ำท่เลนะใช่เจ้าคะ่ะอรู้สึกว่าซื้อของแพงมากๆเลยเจ้าคะ่ะพาซังแล้วเป็นไงเนสุดเดียวเดียวรู้สึกผิดเจ้ะก <laughs> ็เอาไปา เ, เอาไปบริจาคไปเอาไปขายเอาไปท ทำไมถวายวัดหรืออะไรไหมเอาไปทำบุญดีไหมได้ยินหรือเปาได้ยินแล้วค่ะการรู้จักปิดก็มันไปรับของโจรมาก็เอาไปคืนเจ้าของเขาแล้วไปไม่ใช่รับของโจรหรอกค่ะเขาได้หนาโจรก็คเกิปเลยเนี่ย <laughs> อืมไหนซื้อบ้านแล้วค่ะบ้านใหน่อ่าบ้านก็ไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นที่อยู่อาศัยจําเป็นหรือเปล่าจำเป็นละค่ะเพราะว่าครอบครัวใหญ่อ่าก็แล้วไปถ้ามันจําเป็นก็ซื้อไปเจาค่ะแต่ก็รู้สึกผิดที่ชีวิตไม่สมถะแล้วเะค่ะอืมคือค่อนข้างราคาแพง ก็ไม่เลานี้นก็ยังมันก็ยังถือว่ามันเป็นปัจจัยสี่ว่าแล้วแต่เรื่อ ง, งของทุ่เพืของที่ไม่จำเป็นต้องซื้อครับตอนนี้เรายังอยู่ในสถ า, านี้อยู่ก็ต้อง ก, ก็ต้องต้องต้องต้งเป็น ย, ออยนี่ไปขอหน่อยเจ้ค่ะเหมือนหน่อยจะแก้ปมปัญหามันก็ยิ่งผูกเข้าไปแน่นกว่าเดิมครับจ้า คือไหนจะแก้ปมตรงที่ว่าค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆเพื่อที่จะละแล้วก็สันโดษเจ้าค่ะแต่ก็ทําไม่ได้มันเหมือนผูกตัวเองไปเรื่อยๆก็ทํำทีล ะ, ทละน้อยไปก่อนทําไปตามกําลังอย่าไปทํามากกว่าที่เราทําได้ ทำให้ส่วนที่มันง่ายๆก่อนให้ส่วนที่ยากก็ต่นร้อ ย, ยก่อนก็แล้วกันแล้ต้องปฏิบัติทําให้มันสูขให้มากขึ้นเลยอันนี้ที่ยังมีกําลังอย่างนั้นก็ต้องมีเป้าหมายไว้ก็แล้วกักนให้เป้าหมายว่าอะรพยายามที่จะลดอลดละสิ่งตา่างๆเจ้าค่ะเนี่ยค่ะ ที่มีปัญหาตรงนี้แต่ว่าป ก, กติหนยก็ถือสี่ห้าอยู่ทุกวันอยู่แล้วเจ้าค่ะไม่เคยไม่เคยป่าเจ้าค่ะก็ถือไปอันไหนทำได้ก็ทำไปอันไหนที่ทำไม่ได้ก็ถือว่าเป็นข้อสอบที่เราต้องไปสอบใหม่สอบข้อนี้ตกก็ต้องไปทำการบ้านใหม่จ้าค่ะอ่ ควาพยายามอย่างี้ น, นคราบสาเร็จอย่างนี้นะครเป็นอย่างนี้พยายามพายาได้รอยๆพยามสู้กับมันไปใช้เหตุผลเหตุผลก็คือถ้าไม่ได้มันน่าจะตายไม้มถ้าไม่ตายก็แสดงว่าไม่จําเป็นถ้าไม่น่าเอามันแต่ถ้ามันต้องถ้ามันไม่มีมันแล้วเราจะตายเราจะเดือดต้อนเห้อถ้าเรามีมัก็ไม่เป็นไรนะคะ่ะอาจจะเป็นเพราะว่า น่อยไม่มีสติใช่พอมันเห็นแล้วมันมันอยากได้ทันทีเลยเจ้าค่ะเห็นของใหม่เราก็อยากได้แล้วดูของใหม่ที่เป็นการของเก่าเต็มบ้านเหมือนมันมันมีมันมีความหมายอะไรกันเราเปล่ที่จริงอืมไม่มี้ิค่ ะ, ะมันไม่ได้ให้ความรู้สึกเหมือนกับเราได้ของใหม่ใช่ไหมใช่จังหวะ แล้ของใหม่ที่เราได้เด้อพรุ่นี้มันก็กลายเป็นของเก่าไปแล้วลองใช้ปัญญาคิดอย่างนี้บ้างสยเราถูกหลอกให้ตะกุกเงาอยู่เนี่ยพอพอพอถึงตรงนี้อ่มันเงาเราไปอยู่ข้างหน้าต้องไปวิ่งวิ่งไปไล่ปัญหาเอาไปนะเอาไปถึงตรงจุดนั้นอามันไปมันไปที่อะไรอย่างนั้นวิ่งตะกุกเงาพอได้อันนี้แล้วมีของใหม่มารอเรา่นะ จ๊ะค่ะถึงต้อ ง, ง, งใช้เหตุผลนี้ว่าจะเป็นจะต้องเอามันไหมจะต้องมีไหมถ้าไม่มีการจำเป็นก็ไม่เอาหรืออยากคด้กถ้าอยากจะได้กกไดีก็ซื้อมาแล้วก็ไปทําบุญแทนก็ได้ซื้อไปแล้วก็ให้เพื่อนให้ใครก็ได้จะได้หนาทิสัยมันจ๊ะค่ะอย่าซื้อให้เราซื้อให้คนเหนื่อยเปินเวลาไม่เป็นกิเลสถือว่าเป็นทําบุญเป็นสันดคอรตไป ออันนี้ดีเดี๋ยวจะซื้อไปให้มันเกิดเคพื่อนนั่นหน่อยดีเดี๋ยวเขาขึ้นบ้านใหม่ซื้อไปให้เขาหน่อยเจ้าคะอะอย่างเงี้ยมันตอบแล้วมันจะไม่อยากซื้อแล้วก็คงจะไม่ได้ซื้ออีกนานแจ้ะค่ะต้องชำระเอาเงินไปใช้หนี้บ้านก่อนอโอเคอ่ามีแค่นี้ค่ะบาอาจารย์โอเคไหจะพยายามรักษาสีในได้นะสักค่ะ อา่าได้ทำทั้าที่เราจะทาได้นะจ๊ะค่ะอืคมคำาต่อไปคือใครคุณชนะดาชนะดาเชินนมัสการแล้วค่ะอาจารย์พ ร, รุ่ง น, นี้ค่ะสมุดประการสมุดประการใช่ไหมค่ะพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เป็นยำ ม, มะเขือเผาค่ะอาจารย์ยมมกับกล้วยหอมกล้วยหอมได้ฉันบ้างไหมคะยำ ม, มะเขือเผา ก็ไม่ได้ไม่ได้ไปจำไม่ได้แลมันจำไม่ได้มีอะไก็ช่างไปค่ะก็นึกไม่ออกเหมือนกันค่ะอาจารย์ลองเป็นกินได้แล้วไม่ไม่ปวดท้องนะค่ะเดี๋ยว่อลูกก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเท่าไหร่ค่ะอาจารย์เรื่องปฏิบัติช่วงนี้ไม่ได้มีเวลาขึ้นมาปฏิบัติ ใช่ค่ะก็เดือนพฤศจิก็มีภารกิจไปที่อื่นอีกหลายวันเลยค่ะอืมอืมแล้วช่กระถนีีนกระถมีงานกัะถินเยอะเลยก็ไปช่วยอยู่วัดหนึ่งอะคะ่ะวัดประจำที่ไปช่วยเขาตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยคะ่ะส่วนที่อื่นก็ช่วยเงินไปอะคะ่ะนิดหน่อยค่ะคระอาจารย์อค่ะก็ ค่ะทำทำเท่าที่ทำได้อะค่ะพระอา้า่างอันนี้ <ไป S 2> ก็กค่ะใช่ค่ะเอาเสียบสมาธิดีกว่านะสำคัญกว่าค่ะโอเคไ ม, ไ, มไม่มีมีอะไรนะ <laughs> ไหมไ้ยอยู่เมื่อกี้ฟังคุณหน่อยแล้วรู้สึกว่าคุณหน่อยก็มีเพื่อนนะคะ <laughs> <laughs> ไม่ต้องเสียใจนะคะมีเพื่อนค่ะค่ะผออาจารย์ลูกไว่มอะไรค่ะโอเคค่ะค่ะผอคุณรัลคิศวัลลิศข่าวธรรมศาสตร์ข่าวนมัสการครับก็อืมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าเหมือนเห็นความก้าวหน้าของตัวเองอาจจะเรียกว่าความก้าวหน้าก็ได้คือแบบ มุมมองต่อสังคมมุมมองต่อโลกแล้วมุมมองต่อตอนเองมันเปลี่ยนไปอะครับหลวงพ่ออือยอย่างเช่นแบบเวลาเราจะทําอะไรเราไม่ที่จริงเป็นคนทุกคนผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีเหตุผลอยู่แล้วแต่เหตุผลที่ว่ามันใช่เหตุผลที่เพื่อเพื่อกิเลสหรือว่าเพื่อความจําเป็นจริงๆมันก็เห็นอย่างนั้นเวลาเห็นคนอื่นเขาโกรธใส่เรามันจะเหมือนมันก็มุม ม, มองมันเหมือนกับเวลาเรากโกรธเหมือนกันเช่น สิ่งที่ทําให้เราโกรธมันคือความยึดมั่นถือมั่นในความคิดบางอย่างทําให้คนอื่นเขาก็าเหมือนเรามันถึงมันมันจะมุมมองมั น, มนเปลี่ยนไปอะครับหลวงพ่อดูเขาดูเราด้วยไม่ใช่ยู่แต่เราคนเดียวใช่ครับดูดูเราเมื่อเห็นเราโกรธยังไงเรารู้ว่าเราโกรธจากเหตุอะไรเหตุแบบไหนก็อมองคนอื่นเออคนอื่นเขาคล้ายๆกันอย่างนี้มันก็เลยแบบมันก็เลยเบาบางลงครับเรื่องความโกรธใช้เวลาน้อยลงครับก็ อืมก็ใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตประจําวันครับแล้วมีอย่างนึงที่ผมเป็นตอนนั่งสมาธิอะครับหลวงพ่อมันมันนั่งแล้วมันเห็นตัวตนบางอย่างไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าเห็นใครทิพนะเห็นตัวตนคือแบบเห็นความอยากบางอย่างที่มันแบบบางอย่างมันเราลืมไปแล้วมนเวลานั่งสมาธิมันชอบมันชอบมาจากไหนก็ไม่รู้อครับเพราะเพราะอะไรครับแล้วมันฟังในจิตเราบานอย่างที่เราเคยเคยสร้างมันมามันก็เลยติด มากับใจแล้วตลอดเวลาอืมงั้นถามวิธีแก้เลยด้วยกันครับตอนเด็กๆผมมันจะโดนรังแกโดนบูลลี่มาโตไม่เลยมีปมในใจว่าอยากได้รับได้รับการยอมรั บ, อ ย, ร บ, รย อ, รบอยากให้ได้รับการยอมรับหรืออะไรประมาณนี้ครับถึงแม้ทุกวันนี้จะแบบไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายแต่เออมันเวลานั่งสมาธิมันจะเห็นปมในใจอย่างนี้ครับหลวงพ่อมันให้แก้คือให้ปล่อยผ่านไปเลยหรือว่าแก้ที่ครับเราไปอยากไม่ได้ เพราะว่าสิ่งที่เราอย่างมันไม่ได้ไปอยู่ในวิสัยที่เราจะไปสั่งมันได้ครับเขาจะรับเราไม่แไม่รับเราเป็นไม่ของถเแล้วไม่ต้องไปสนใจครับครับมันก็เป็นก็เลยเห็นว่าปัจจุบันนี้มันทําบางอย่างอ๋อเพราะในตอนแบบตอนเด็กๆเราแบบอยากเล่นกับเพื่อนเพื่อนไม่ยอมให้เราเล่นทุกวันนี้ก็เล่ยแบบแต่พูดถึอนเด็กทำแต่เหมือนเออมันไปปมในใจ Ừ, ใช่ก็เลยแบบมันก็เลยเหมือนเป็นปมในใจเวลาเราทําอะไรเราเลยกลัวที่จะมีเพื่อนในบางกรณีเพราะเรากลัวว่าเขาจะไม่ยอมรับเราอะไรแบบนันก็เลยแบบเฮ้ยไปไม่แก้ตอนนี้แหละอดีตมันแก้ไม่ได้ปัจจุบันนี้ก็อย่าไปอยากให้เขารับเราให้เขาชอบเราหรืออะไรเราเราอยู่ไปของเราตามลำพังนี่แหะดีที่สุดครับผมว่าเดี๋ยวอาจจะไม่ได้แก้ได้ทันทีแต่จะค่อยค่อย ออกเปลือกไปครับหลวงพ่อความอยากมันเป็นต้นเหตุของความทุกข์เนีถ้าเราไม่อยากเราไม่จะไม่ทุกข์เราก็จะอยู่คนเดียวก็ได้อยู่กับใครก็ได้แล้วแต่ครับอเออคนะุณต่โอเคแล้วครับขอบคุณมากครับคุณเกติกาเวนที่อาจร์อยู่ที่ไหน น, นี่คือได้ยังครับพมด้นะ มาตรการเขาหลวงพ่อเ พ, พ, พิ่งเข้ามาครั้งแรกครับอยู่ที่ไหนอยู่ชมบุรีครับชมบุรีมีอะไรไหมก็ถามว่าสมมติ ถ, ถ้าเรานั่งบริกรรมพุทโธพุทโธไปครับแล้วมันเกิดแบบอาการแบบว่าแบบมันมันเริงๆครับแบบแล้วมันแบบมีเหมือนความร้อนอยู่ในหัวอ๋อไม่ๆ ม, มันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นอาการต่อสู้กันละครพุทโธกับกิเลสก็ใช้ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่ของพุทโธไป มันก็หายไปเดี๋ยวพอจิตสงบมันทุกอยากอกา s <S ่างมันหายไปแต่ตอนต้นมันก็เหมือนกับการตอบเสื้อมมันก็จะรู้สึกป็นเครียดๆได้ครับทำไปเรื่อยๆมุทโตมุทโตมุทโทไม่ต้องไปสนใจกับว่าการที่เกิดขึ้นไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจ มันจะเต็งมันะอะไรก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของทางร่างกายมันเป็นเรื่องของจิตใจโอเคครับหลวงพอ่อโอเคอ่า น, นี้ก็เหนือคุหลาแล้วมันอ่นี้คุหลาเช่นมีคำถามทั้งหมดหกคำถามจากทาง Facebook และ y youtube เจ้าค่ะคำถามแรกจากคุณ The Multiversal Unity พระอระหันต์ท่านอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาหรือครับ ขอบพระคุณครับก็ต้องลองเป็นพระหลานดูนยังรู้ถ้าเร<ำ>าไม่เป็นก็ไม่ต้องไปข้างบนคำถามต่อไปจากคุณนาวอลพระอาจารย์คะหนูสังเกตว่าเวลาเผลอจากพุทโธครู่เดียวสัญญาเก่าๆที่เคยทำให้สะเทือนใจโจมตีเร็วมากคะ่ะ ทั้งภาพทั้งเสียงหนูรู้ไม่ทันเผลอปรุงความคิดเข้าไปอีกอารมณ์ด้านลบเกิดหนูทุกใจเลยค่ะจากนั้นหนูบริกรรมพุทโทใหม่จนจิตไม่คิดแสไปหาเรื่องที่ทำให้ทุกนั้นแล้วตลอดวันหนูสงสัยว่าจะต้องทำอย่างไรเพิ่มเติมทางด้านปัญญาเพราะหนูอยากเป็นอิสระจากสัญญาอย่างถาวรค่ะ เบื้องต้นนี้ก็ฝึกสติไปก่อนสติยังน้อยไปไม่พอที่จะไปใช้ทางปัญญาได้ฝึกสติให้เราไม่ให้เผลอก่อนเราถึงจะสามารถคิดไปได็นทางปัญญาได้มีสองคำถามจากคุณธนพงศ์ค่ะคำถามแรกผิดศีลครบห้าข้อไปแล้วยังสามารถเป็นโสดาบันได้ไหมครับ คือช่วงที่ผิดศีลพอผิดนั้วมันก็เป็นนดตตกันนะช่วงที่จะเป็นช่วงที่จะเป็นโสวดามันก็มันก็ต้องเป็นปัจจุเป็นเป็นปัจจุบันนะเห็นถ้าปัจจุบันละสังโยชนได้ก็เป็นก็เป็นเป็นสวดาบันได้เห็นไหมว่าถ้าเราไปทํำผิดศีลต่อเนี่ยมันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการละสัโยชน์ แต่ถ้าศีลมันที่เราผิดเป็นฐานไปแล้วแล้วเราไม่ไม่ไมไ ม, มา ท, ทำใหม่ในปัจจุบันปัจจุบันเรารักษาถึงได้มันก็ไม่มีปัญหาเราก็สามารถที่จะปฏิบัติเพื่อรักษาโยต์ต่อไปได้คำถามที่สองของคุณธนาพงศ์นั่งสมาธิควรนั่งอย่างน้อ ย, อยกี่นาทีครับนั่งให้นานที่สุดท้าเจะนนั่งได้ คำถามต่อไปจากน้องหลินหลินรายงานการปฏิบัติเจ้าคะ่ะนั่งสมาธินั่งนั่งนอนๆอนครบสี่ชั่วโมงก็ตื่นเจ้าคะ่ะก็นั่งสมาธิต่อออกจากสมาธิก็อ่านธรรมะและเดินทางไปทํางานพอกลับจากที่ทํางานก็เดินทางก้าวเท้าด้วยซ้ายพุทธขวาโทมีน้ํามูกน้ําตาไหลไม่ได้รู้สึกทุกข์เจ้าคะ่ะ เพราะห้ามไม่ได้ชีวิตมีเท่านี้เจ้าค่ะในปัจจุบันแต่ก็ยังฝึกบ่อยๆเจ้าค่ะเหมือนดูละครเลยว่าวันนี้จะทำตัวไปทำงานอย่างไรบ้างพยายามดูตัวเราเองหนูคิดและปฏิบัติถูกไหมเจ้าค่ะหนูซ้อมตายก่อนนอนด้วยเจ้าค่ะเลยหลับง่ายเจ้าค่ะดีถ้าหนูไม่ทุกก็ถูกถ้าหนูไม่ทุกเกอะไรก็ถูกถ้าถ้ายังทุกอยู่ก็ยังไม่ถูก ดูที่ความทุกข์เป็นหลังเราอย่าไปทุกข์กับอะไรคำถามต่อไปจากคุณยุพาพรเจ้าค่ะหนูได้ยินเสียงคนพูดด้วยมาสองปีแล้วแบบนี้หนูเป็นอะไรคะออมั น, เ ป, นเป็นความคิดของจิตตกแต่งได้ไมาเองจิตเราไม่สงบพยายาฝเกิสติให้มากมาก ยวต่อไปเสียงพูดมันก็จะหายไปมีหนงมีคำถามเข้ามาใหม่เพิ่งเข้ามาเจ้าค่ะจากคุณชิชนุพงศ์ตำลาที่ศึกษาบทสวดที่ทำวัดทุกเช้าธรรมะฟังเท่าที่มีโอกาสจะเอือ้อหลวงพ่อว่ายังไม่จำเป็นในตอนนี้ ให้เจริญสติก่อนคือให้ผมวางทิ้งหมดเลยและเจริญสติสมาธิแบบนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับคือไม่ทิ้งเพียงแต่ว่าตอนนี้เราเอาไว้บันทึงก่อนอันนี้อ่าเพิ่งเอามาใช้ไม่ต้องกลัวแล้วมันไม่มันไม่มไมาหายไปตอนนี้เราขาดสติที่เราจะต้องมีในการที่เราจะเอาความรู้นี่มาทําให้เกิดเป็น เป็นปัญญาแบบภาวนามนย์ปัญญาได้ที่จะไปใช้ค่ากิเลสได้ความรู้ตอนนี้เรามีอยู่แต่เป็นความรู้ที่เป็นเป็นสุดตะมยปัญญามันไม่มีกำลังที่จะไปสู้กับกิเลสได้ต้องรอ้อยเราสร้างสติสร้างสมาธิขึ้นมาแล้วเราค่อ้เอาความรู้ที่เราได้เรียนมานี้มาใช่อีกทีหนึ่งมันไม่จะกลายเป็นภาวนามนย์ปัญญามันก็จะละ ก, กิเลส ตอความทุกขต่างๆได้คำถามหมดแล้วเจ้าค่ะคำถามหมดแล้วมีใครอยากจะถามอะไรทีนี้รอบสองก็เชิญเปิดโอกาสให้ท่านที่รอบแรกยังไม่พูดไม่พออยากจะพูดคุณปาเหรอคุณปาจะพูดหรือเปล่า อ, อาจารย์นวัตการเจ้าค่ะ อาจารย์ได้ยินไหมเจ้าคะไดินชัดเจนพระอาจารย์เจ้าคะพอดีมีน้องคนนึงเขาถามมาอะคะ่ะทีนี้ป๋าก็ไม่ไม่กล้าตอบกลัวจะผิดเขาบอกว่าเออ่เวลาเขาทาบุญบ้านอันนี้ส่งของการทําบุญบ้านคืออะไรต่างกับการที่เขาไปทําสังฆทานหรือเปล่าอะคะ่ะไม่ต่างหรอกเป็นทานเหมือนกั น, นแต่เปลี่ยนที่<ม>นั่นท่านี้ทำที่วัดก็มาทําที่บ้านให้ยุ่งยากไปกว่าป๋า อ็ไป่เชื่อว่าท่านที่มุ่งพามาทบ้านแล้จะป้องกันบ้านไม่ให้ไฟไหม้ไม่ให้ผีเข้านะพระอาจาย์แล้วก็ถามว่าเออ่เวลาที่ทําบุญบ้านเนี่ยเขาอุทิศบุญให้กับเจ้าที่ที่บ้านกับไปที่วัดก็อุทิศบุญได้เหมือนกันใช่ไหมเจ้าได้ที่ไหนทําที่ไหนก็ทิศได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่ที่ที่ที่ตรงนั้นอย่างเดียวเพราะว่า เจ้าที่เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็อยู่ในนอกทิพย์ถ้าก็ไม่อยู่เขาอยู่ในนอกทิพย์ทีเพราะนั้นการอุทิศบุญที่ไหนเขาก็ได้รับเหมือนกันถ้าเราจิตเราเป็นสมาธิใช่ไหมเจ้าค่ะเราทำบุญที่ไหนเราทําบุญที่ว่าแล้วเราอุทิศให้กับเจ้าที่ที่บ้านก็ได้ถ้ามีจริงถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรับก็ทำเพื่อการเป็นการให้ทานอย่างหนึ่งใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เป็นการทำทานค่ะ<ๆ>แล้วก็จริงๆแล้วอา น, นิสงส์งของการทําก็คือว่าเราจะต้อง มีจิตที่ละให้มากที่สุดใช่ไหมเจ้าคะพระอาจารย์การทําทานก็เป็นการ ล, ารละอ<ะ>ัตตานิละความยึดติดในสิ่งของต่างๆอ๋อค่ะอาจารย์แล้วก็มีคําถามหนึ่งที่ก็ถามว่าเ อ, อเวลาที่เฉพาะการการทําบุญการทําทานเท่านั้นที่จะอุทิศบุญได้แต่การนั่งสมาธินี่อุทิศบุญไม่ได้เหรอคะก็มันยังไม่สาเร็จมันรักษาสิ่แค่วันเดียวมัน มันคพิ่งปูกต้นไม้เพิ่นมาลงเอาเอาลงเดินวันนี้มันมันยังไม่โตมันยังไม่ อ, ออกดอกนลไงสินสมาธิมันใช้เวลาของวันี้มันไม่ใช่แบบฟาสต์ฟู้ดไปที่แมากโอนัลสั่งปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยอันนี้ต้องเหมือนกับอาหารอาหารอาหารจีนที่ต้องไปสั่งเขาสั่งโต๊ะจีนมามันต้องใช้เวลาเตรียมอาหารเตรียมอะไร ไม่ใช่คลาดฟูดแต่ทานนี่มันเหมือนคาดฟูดคลาดฟูดอืมค่ะทานฟูดได้ทั้เลยแล้วอย่างนี้ทำสมาธิระดับไหนถึงจะอุทิศบุญได้ผลนะคะก็ต้องระดับที่มันได้ผลเกินไปก็ต้องเก็บรวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิอืมแต่มันก่อนจะอุทิศได้อีกสิบปียี่สิบปีคนคนที่รอบุญอย่างเราก็ตายไปเสก่อนออเข้าใจละค่ะ พระพุทธเจ้าจะไม่ได้สอนให้อุทิศบุญด้วยเสียงด้วย ส, สมาธิด้วยปัญญาทาแต่หให้อุทิศบุญด้วยทานทําทานปุ๊บมันก็ได้ผลทันทีอย่างคนบาอาจารย์เมื่อฟังผลก็สบายใจสุขใจได้ผลนะครับพระอาจารย์แล้วถ้สมมติว่าเอ่อจิตเราเนี่ยพอฟังทำบางอย่างเนี่ยในคําคํานึงที่เรากลับมาพิจารณาแล้คิดแล้วเรารู้สึกว่าเราปล่อยวางได้หรือว่าเราเข้าใจในนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์อย่างเช่นเออ่ ผูกใจเจ็บแต่พอฟังธรรมะแล้วเรารู้สึกว่าเราคลายเราเราเราจิตใจผ่อนคลายอย่างเงี้ยค่ะความโกรธเนี่ยหายไปเลยอย่างเงี้ยลักษณะตรงนี้เนี่ยที่อย่างเงี้ยอุทิศบุญได้ไหมคะบางคนไม่อยากจะเสียงเงินไม่อยากจะทำทานเสียดายเงินอยากจะอุทิศด้วยปัญญาด้วย อ, อะไรไหมใช่หรอเพราะฉะนั้นการใส่บาตรทุกเช้าก็ดีที่<อ>สุดละ ใช่บาทก็บรจาคเงินบาทนั้นก็วัทิ้นได้แต่ก็ได้บาทหนึ่งเลยทำงานก็วั<า> ท, ทิ้ได้มากค่ะแล้วอีกคําถามหนึง่งเวลาที่เราใส่บาทเนี่ยค่ะการที่เราเจาะจงพระสงฆ์รูปหนึง่งกับการที่เราอ่ใส่บาทกับพระพระสงฆ์ทั่วไปเนี่ยค่ะบุญต่างกันไหมคะคนไทยไม่ต่างกนะันแต่ประโยชน์ที่ยได้รับมันต่างกัน ว่าถ้าเราทําบุญกับพระรูกเดียวกับพระรูกนั้นตายไปมันก็ไม่เราก็ไ ม, เไม่เราก็ไม่มีพระรูกอื่นมาสั่งมาสอนเราแต่ถ้าเราทำประจําพระทุกๆหลายหลายลูกเนี่ยถ้าพระรูปหนึ่งตายไปยังมีรูกอื่นมาสั่งสอนเราได้ต่อไปอ๋อค่ะพระอาจารย์คะแล้วเวลาเราใส่บัตรคืออย่างสมมติว่าพระแถวบ้านนะค่ะเราก็เหมือนกับเห็นว่าท่านก็ไม่ค่อยปฏิบัติเท่าไหร่อ ย, อย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วก็ เวลาที่เราใส่บาตเนี่ยเราต้องน้อมจิตยังไงคะไม่บางทีเราก็เหมือนรู้สึกว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติอย่างเนี้ยค่ะพระจางอ๋อเราไม่โดนไม่เราสนใจเนระื่องตัวท่านว่าท่านจะปฏิบนะัติหรือไม่เราสนใจว่าเราได้ทําสิ่งที่เราควรจะทําก็คือเสียชละแบ่งปันอืมถ้าอาจจะหิวข้าวไม่มีข้าวกินอาจจะเป็นสุนัข ก, ก็ได้เป็นพระไม่นิบก็ได้เป็นเป็นโจรผู้ร้ายก็ได้สมมุติแต่ท่านต้เกิด อดอยากจะตายเนี่ยเราไปช่วยเขาช่วยมันเทาความทุกข์ยากลำบากเขานี่มันเป็นการแสดงเมตตาของเราต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงมันเจ้าบอกให้เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงไม่ให้เลือกว่าต้องเป็นคนดีอย่างเดียวเนี่ยให้เขาันไม่ดีถ้าเขาเดือดร้อนก็ต้องช่วยเหลือเขาไปตามตามอัตภาพเจ้าค่ะหมดคําถามแล้วเจ้าค่ะอเ คุ้เลยยกมือก่อนนุยไเชครับคุย ไ, ไ, ได้เลยครับอาจารย์ครับพ อ, พอดีผมมีคำถามหนึ่งคำถามมีคาถามที่ว่าปกติผมรักษาสินห้าอยู่เป็นปกติครับแต่คือว่าบางทีในช่วงที่มันจะมีเครื่องดื่มอยู่เครื่องดื่มหนึ่งครับที่มันเป็น มันมันมันมันเป็นเบียร์แต่มันไม่มีแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยถือว่าเราดื่มหรือเปล่าครับก็กินแล้วเมาป่ะไม่ไม่เมาครับอาจารย์ครับถ้าไม่เมาก็ไม่ผิดที่ที่ไม่ให้ดื่มตัวจะเมาแล้วขาดสติแล้วไปทำบาปได้ง่ายขึ้นครับงั้นคืองั้นผมก็เออมันมีมีเครื่องดื่มอยู่เครื่องดื่มหนึ่งครับมันมันไม่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่เมาครับอาจารย์ก็กินเหมือนกับกินเบบซี่โค้กไล่เข้าไปก็ไม่เป็นไร เป็นแต่เป็นรสเบียร์แต่ไม่มีแอลกอฮอล์เหมือนเบียร์ใช่ใช่ครับอาจารย์ครับก็เหมือนแป๊บซี่รสเบียร์ไปก็แล้วไปครับพอาจารย์ครับแล้วก็มีมันมีปิติอยู่ครั้งหนึ่งพระอาจารย์ผมวันที่พระวันที่18ผมพาเพื่อนเข้าไปกราบพระอาจารย์ที่อธรรมะที่นักุติครับคือเป็นเพื่อนที่ว่าเรอสนิทกันแต่คือความปิติที่ว่าได้กราบพระอาจารย์เสร็จออกมาคือมัน ที่พาเพื่อนไปเนี่ยคือน้ําตามันไหลไม่หยุดเลยครับอาจารย์คือเป็นความรู้สึกประทับใจครับก็ไม่ไม่เป็นความทุกไ ม, ไม่เป็นความทุกข์อะไรเป็นครับมีมีแค่นี้ครับอาจารย์แ่อ า, าจะไม่เกิดขึ้นทุกครั้งครั้งต่อไปอาจจะเฉยๆก็ได้สัญญาจะเกิดขึ้นขรั้งมากๆตื่นเต้นเหมือนเด็กไในเห็นดารามันมน้องเพี้ยงกล้ากันใหญ่คืออย่างผมว่า <c oughs> ผมเห็นปะคือคือผมผมเข้าไปหาพระอาจารย์บ่อยครับก็<ม><ม>คือได้เฉยเลย ครับแต่คือคือเพื่อนที่เขาเองยังอยู่เขาไม่เคยถ้าเป็นข้างล่ามันก็ไปอย่างนี้ส่วนใหญ่ถ้าได้สังเกตมันมาข้างหน้าแต่คนก็น้ําตาจะไหลนะคือคือเพื่อนเขาไม่ได้น้ําตาไหลนะครับแต่ผมเองคือน้ําตาไหลครับคือเวลาพูดถึงพระอาจารย์คือเราก็แบบมันไหลออกมาโดยที่อัตโนมัติคือมันแบบอ่าตื้นตันใจคือมีความสุขมากครับอาจารย์ก็ก็ให้รู้ตามความเป็นจริงครับไม่เป็นไรถ้ามันเป็นความสุขก็โอเค ถ้ามันเป็นความทุกก็ต้องมางามมันด้วยเสเตนด้วยครับภอาจารย์ครับอโอเคนะครับคุณสุวัตตาเชิญลูกขอคำถามนิดนึงนะเจ้าค่ะภอาจารย์คือพอดีคุณตาพูดถึงเรื่องแผ่บุญระสนก็มีสนทนา น, นึงกับกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือลูกสงสัยมากเลยเจ้าค่ะคือเขาบอกว่าเวลาเขาไปวัดเนี่ย เขาจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับดวงวิญญาณเนี่ยจะมาขอบุญกุศลกับเขาเขาก็เลยจะต้องแบบอุทิศบุญกุศลไปเวลาแบบไปงานศพไปวัดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วเขาบอกเวลาพอกลับบ้านไปเขาจะรู้สึกเลยว่าเขาเหนื่อยมากเพราะว่าเขาแผ่บุญกุศลเนี่ยออกไปกระจายไปเยอะคือในความคิด ล, ลูกไม่รู้ว่าลูกคิดถูกหรือผิดนะเจ้าค่ะแต่ลูกคิดว่ามันคือสังขารที่เราคิดปรุงแต่งไปอ่ะลูกก็เลย แต่ลูกฟังเขาเฉยๆเจ้าค่ะเขายกว่าอุปทานอ่างอุปทานเกีดมาคิดปรุงแต่งไว้เองเจ้าค่ะคือคือลูกก็รัฟังเฉยๆลูกไม่พูดอะไรแต่แต่แต่ด้วยประสบการณ์ที่ลูกแบบคือกิจากการปฏิบัติอะลูกก็เลยคิดว่าทุกอย่างมันคือมันคือความปรุงแต่งของสังขารที่มักจะสร้างเรื่องอะไรขึ้นมาอย่างนี้เจ้าค่ะใช่สร้าง ยกไม่ว่าถ้าจิตเราเป็นจิตที่นับรู้จิตวิญญาณได้ก็อันนั้นก็เป็นเรื่องจริงนะแต่ส่วนใหญ่ันความส่วนใหญ่มันรับรู้เรื่องจิตวิญญาณไม่ได้แต่ถ้ารับรู้ได้ก็ไม่มีไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีควาร ม, ม, มราาูม้สึกแบบนี้ก็จะรู้สึกธรรมดาได้ติดตามครับกายทิพย์ก็ควยกันไปธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ไไมีความรู้สึกอะไรทำให้จิตใจเราอ่อนเพียรือะไรี้ไม่มี ใช่เจ้าค่ะเขาจะบอกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะว่าจิตใจอ่อนเพียพราะกลับมาถึงบ้านจะพลังงานจะหมดอะไรอย่างเงี้ย เ, เจ้าค่ะอุ ป, อ ป, อปทานอุปทานเท่านั้นลูกก็เลยบอกว่าถ้าจะแผ่แผ่บุญแผ่กุศลก็ลูกจําคํำที่อาจารสอนคื อ, ค, อคือต้องทําทานอย่างเดียวแล้วก็แผ่ไม่ไม่ได้แบบตสวดแล้วแผ่อะไรอย่างเงี้เยเจ้าค่ะลูกก็เลยบอกแล้วจิตของเรามันก็อยู่อีกอยู่กับอีกโลกหนึ่งซึ่งมันแบบมันยากที่จะแบบมาแบบ การมันเป็นไปไม่ได้คือลูกฟังมันแบบมันสังขานปุงแต่งจาก <คน S 1> าที่ปฏิบัติ<ะ> ค, <น S 1> คือใช่อาจะเห็นผีแฮ น, นูแฮนด์นี่มันเป็นอุปทานทั้งนั้นค่ะมีความปรุงแต่งทุกอย่างเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็แปลคือเจ้าค่ ะ, ล, คะลูกก็อยากจะเข้าใจแบบให้เคลียเจ้าค่ะเพราะว่าลูกคิดว่ายังไงก็คือปรุงแต่งแน่นอนจากที่ปฏิบัติจากศึกษาก็ประมาณเนี้ยเจ้าค่ะ แต่ลูกก็แค่เล่าฟังไม่ไม่พูดอะไรเพราะว่า <tså> เป็นความเชื่อของใครความเชื่อของเขาเราเราไม่อยากจะไปไม่อยากจะไปเกี่ยวข้าด้ว ย, ยใช่ใจ ก, ก้าวไกลใช่เจ้าค่ะแล้วค่ะกลาบขอบพระคุณเจ้าค่ะโอเคขอบคุณบอนพัทยาอ่าจะพูดได้เลยการรำลึกกราฟอาจารย์ค่ะขอโอกาสพูดค่ะคือมีคาถามเพิ่มเติมจากที่ถามมาจากคู่บ้า พอที่ผมดำเนินชีวิตอยู่เป็นประจําวันนะครับคือเราก็ตื่นมาทําวัดเช้าเรียนแบบพระปฏิบิณิภาเขาก็เปิดกลับเฮ้าส์ตอนทาวัดเช้าแล้วก็สวดตามท่านแล้วก็สวดแปลบาลีครับเพราะว่าคือผมก็สวดตามท่านแต่ผมอ่านภาษาไทยเหมือนสับไต่จริงเราก็รู้ว่าพระสวดอะไรเพื่อถอนอุปาทานเพื่อสรรเสริญพระพุทธธรรมพระสงค์ ก็ส่วนผุดชา้าคำถามขั้นก่อนเลยก็คือผมควรทําต่อไปหรือจะให้ผมวางแล้วก็นั่งสมาธิก็ได้นะถ้านั่งสมาธิได้ก็จะดีกว่าจิตจะสงบกว่าอ่านส่วนมนต์แต่ถ้ายัางนั่งสมาธิไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนพอสวดเสร็จแล้วก็ลองนั่งสมาธิต่อเนะ่องครับแล้วในส่วนของของการอ่านตำรับาํารา ก็เรียนได้เรียนได้เดือนมากเกันไปก็ไม่เกิดประโยชน์เลยเพราะว่าถ้าเรายังไม่มีสติไม่มีสมาธิเราก็ไม่สามารถนำควอมรู้ที่เราเรียนมานี้มาฆ่ากิเลสได้ครับอย่างเรียนแค่เท่าที่ยังเป็นยังพอเนียนเรื่อเสียงเรียนเรื่องสติแค่สองอย่างก่อนเรี่นเสียสติสมาธิแค่นี้พอแล้วคืออย่างประสบการณ์การ ที่ที่จำเป็นต่อการศาึกษาเนี่ยขอเท่าความอย่างสมัยก่อนนะครับผมก็ศึกษาหมดเลยพุทธธรรมหรือว่าพระตริบิดก แ, แล้วก็อ่านแต่พอเจอหลวงพ่อผมก็มีคือได้เข้าสู่เั้นทางปฏิบัติจริงๆทั้งสมาธิและเจริญสติทีนี้อย่างพอเราเจริญสติเราก็เห็นจิตใจเรามากขึ้นว่าความอยากที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะตามวัยหรือตามตอบสนองต่อโลกมันก็ดําเินไปถ้ายกเปรียง คือการที่ผมมาจเจริญอสุภะเนี่ยเพราะว่าผมต้องกลบกิเลสตัวความอยากตัวหนึง่งถ้าขันติอย่างเดียวสติอัดอย่างเดียวก็งทีผมผมเหนื่อยใช่ ป, ปัญญาปัญญามันดีกว่าอสุภะมันจะจ ะ, จะลดกิเลสได้อย่างรวดเร็วครับเลยครัคือทีนี้ผมก็เลยคิดว่าบางบางทีผมสู้กิเลสแล้ ว, แ ล, วแล้วมันเหนื่อยถ้าใช้สติมาบังคับเขาอย่างเดียวอย่างที่หลวงพ่อชอบบอกว่า การเอาหินไปขับญ้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมก็เลยเราหยุดเราติเราหยุดมันก็กลับขึ้นมาใหม่แต่ถ้าชาติใช้ปัญญามันก็จะตายอย่างถาวรครับอย่างอย่างนอกจากไอความอยากที่ขึ้นมาที่เอาสุภามากลบแล้วมันก็ยังมีแบบนิวรความง่วงที่กวนเราบ่อยๆแล้วก็คิดพิจารณาว่าเหตุมานจกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคือพอผมสู้กิเลสไม่ไหวครับผมจะไปเปิดตํารา ฟังหลวงพ่อหรือจะไปค้นอะไรเพื่อเพื่อแก้ไอเหตนเนีน่ยนี่นีคือคือคำถามที่สองว่าไอตำราจริงๆผมก็ศึกษาซะเยอะนะฮะคือควรวางมันมากไหมเพราะว่าหลวงพ่อเนีย่ยไปหาเลยเอาเอ า, เอาตัวที่แก้ได้ทันทีก็คือสติก่อนดีกว่าพุโทโธพุโทโธไปหยุดจิตให้มันนิ่งให้มันสงบอืคใช่ ถ้าไปหาตำนามากี่ตัวมันก็มามาันมาแก้ไม่ได้ตัวที่ต้องแก้ขั้นตอนก็นคือสติเนี่ยใช้สติแก้ทําใจให้มันนิ่งให้มันสงบเวลาจิตมันฟุ้งซ่านเวลามันเครียดมันทุกอะไรใช้สติไปก่อนอืแล้วต่อไปพอเราพอเราทําใจใสงบได้แล้วทีนี้เวลาออกจากสมาธิมาแล้วก็วิเคราะห์ด้วยปัญญาว่าเอาอะไร ที่ไปทำให้เราเครียดก็คือความอยากของเรานะไม่ได้อยู่ที่ตรงไหนหรอกแค่นั้นอนะอริยสัจสี่ศึกษาค่นี้ก็พอถ้าขั้นปัญญาเน่ยศึกษาที่ตัวอริยสัจสี่ทุกเกิดได้เกิดจากอะไรก็เกิดจากความอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากให้ให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเพราะไม่ได้ก็ทุกข์แล้วนี้ก็หยุดความอยากมันก็หายทุกข์มันจิต เข้าใจครับถ้ า, <บ>าอยากได้ทแท้จะอยู่ในใจเราเนีน่ถ้าอยากอะไรอยากได้ทําเพื่อมาดับกิเลส อ, อันนี้ไม่เป็นกิเลสเอาไปเอาแต่ว่าเพียงแต่ว่าทําที่เราไปหามันไม่ตกทําที่เราพยาหามันอยู่ในใจเราอริยสัจสี่พระพุทธเจ้าเปิดตาํา้ายอะไร น, นั่งตัดรู้อน ะ, อะเปิดตาําร้าเป็นตาําร้ายท่านเปิดป ด, ดูอ่ะ ครับอ่าดูในใจเนียใจนี่แหละเป็นที่ที่ตำนานทั้งหมดมันออกมาจากใจใช่ไตามดูใจเข้าใจใจแล้วมันทุกอย่างมันก็จบอะไม่ต้องไปหาตาําราหรอกนวาปฏิบัตินักปฏิบัติเขาไม่แบกตําราไปด้วยไม่ยมอมมาคอยเปิด ใ, ให้อยู่ด้าไหนไได้านไหนวันนีกินเลยไม่เอาไปกินหมดแล้วตอนนั้นงวแต่ไปหาไม่ทันการนะ คือตมนก็คือตายแล้ว อ, อตายรักปริยสัตว์สี่เนี่ยพอแล้วให้รู้แค่เนี้หยับ ก, กิเลสได้หมดะะคือตอนปฏิบัติผมก็วางวางไว้ก่อนไม่มีแมวเข้ามาเพราะว่าต้อตามรู้ตามความเป็นจริงหรือว่าเราก็อยู่กับสมาธิให้สัตว์ไปอถ้าปฏิบัติก็ขั้นตอนก็หยุดจิตให้ได้ทําจิตให้นิ่งให้สงบให้ได้ก่อนครทุกคั้งที่สองเวลาเกิดทุกข์ก็ใช้ปัญญาหาสาเหตุ มาเป็นตัวอยากมันอยากตัวไหนแล้วใช้ตายรักเข้ามาหยุดมันแล้จบแค่ น, นี้อืมใช่ถูกนะขอบคุณครับโอเคครับคุณหน่อยกลับมาแรอบเจ้าค่ะอาจารย์พอดีไหนมานั่งพิจรารณาเจ้าค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองกลัวหรือเปล่เปาเจ้าค่ะกลัวแบ บ, แ บ, บว่า จะต้องรัดเข็มขัดอะไรอย่างนี้จะไม่ได้ใช้ตังค์ฟุ่มเฟือยอะไรนี้เจ้าค่ะก็เลย<ช>คิดว่าก็เพรความอยากของเราทำให้เรากลัวถ้ากลัวจะไม่ได้ใช้เงินเจ้าค่ะเ<ไ>ปการ<ม>ซื้อของใหญ่ขึ้นก็ต้องรัดเข็มขัดมากขึ้นเจ้าค่ะ<ม>ก็เลยมองว่าเป็นความกลัวของตัวเองที่สร้างขึ้นมาเจ้าค่ะ<ม>ใช้แน่นอนดีกว่ามันจะได้ไม่น้อยเข็มขัด มากน้อยสันโดษใช่คําว่ามากน้อยสันโดษหรือเล่ามีเยอะใช้น้อยก็ได้ใช่ไหมเ<ช>จ้าค่ะใช่ถูกต้องมีจะได้มีสำรองเก็บไว้เยอะๆเพิ่มมีความจําเป็นจะได้ไม่เดือดร้อนเจ้าค่ะแต่ว่าตัดสินใจก้อนใหญ่ไปแล้วจ้าค่ะยังไงก็เป็นบทเรียนก็แล้วกันคราวต่อไปจะซื้ออะไรก็ใช้เหตุผลจําเป็นไม่ต้องมีไม่เจ้าค่ะของที่มีอยู่แล้วพอใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้ก็ใช้ไปก่อน เจ้าค่ะถือว่าเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากๆเ่ยค่ะเี๋ยวหน่อยจะไปบอกจำนวนที่วัดนะเจ้าค่ะว่าเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรก็ต้องบอกกันนะบอกมันไม่เกี่ยวกับเรามันจะซื้อกี่ล้านก็เรของคุณเจ้าค่ะโอเคนะค่ะเจ้าค่ะโอเคมีใครไหมคนละเลยเอเหมืนล มีคำถามมาเพิ่มสองคำถามเจ้าคะ่ะคำถามแรกจากคุณนาวาพระอาจารย์คะหนูจะทราบได้อย่างไรคะว่าสติดีแล้วหมอดแล้วถึงค่อยเดินปัญญาคะ่ะ อ, อก็ท่านหนูเดินปัญญาได้หนก็เดินไปเลยท่านนี่ปัญญามันจะเดินได้เยอะมากน้อยมันอยู่ที่สติไงมันที่จเจริยนปัญญาได้คะ่ะ ครึ่งนาทีครึ่งนาทีก็ไปคิดถึงเรื่องกิเลสนะแต่ถ้ามี ม, มีสติยาวมันก็พิจารณาได้ยาวพ่าเราต้องพิจารณาทำนี้มันให้มันต่อเนื่องไม่ให้มันเผลอแม่แม่มันหายไปจากใจองเราแต่ถ้าเราพิจารณาไม่มีสติเนี่าพิจารณาได้แค่นาทีสนาทีก็ไปคิดเรื่องหนึ่งนะคิดเรื่องราบยศสารเส้สศพอะไรเช่จะไปซื้อนะซื้อีก่กินนู่นกะินนี่นะ มันก็พิจารณาไม่ได้มันก็แสดงว่าสติเรา ย, ยังไม่พอถ้าก็ลองดูเถิดลองพิจารณาดูลองพิจารณาความไม่เที่ยงดอว่าเราพิจารณาได้นานได้เท่าไหร่ถามสุดท้ายจากคุณสถาพรนั่งสมาธิสั พ, พักเกิดปวดขามากจนต่อสู้ทนไม่ได้ควรเอาจิตวางที่ไหนเพื่อต่อสู้คะ เขาว่าเรื่องเบกขาเลยอย่าไปต่อสู้ปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยเวทนาปล่อยอยวามเจ็บอย่าไปสนใจดึงใจให้ออกจากความเจ็บได้พุทโธพุทโธให้มั น, ม, นมันอยู่ที่อุเ บ, ขบกขาแทนพอมันถึงอุเบกขาแล้วมันก็จะเฉยกับอวามเจ็บได้ไม่เดือดร้อ น, ห ม, อ น, นหมดแล้วนะคุณทาหมดแล้วเจ้าค่ะโอเคนะมีกายยาทางยังไหมถ้าไม่มีจะได้ปิดกระช่วกัมมน ก็เด็กพอสมควรแล้วนะสลหรับคืนนี้ก็ขอให้ท่านจองนำเมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ